ไปไหนนะไปชื่อแล้วปะออไปอยู่นานไหมก็คงจะนานอยู่เดียวปะถ้าไม่ได้อะไรก็อย่าเพิ่งกลับมาพ่อแม่จะ้าไปทำไมถ้าไปแล้วกลับ ม, มือป่าก็อย่าไป <c oughs> ไปแล้วมันต้องได้อะไรนี่ค่อยกลับมา กับอาหารมันน้อยมันมันเป็นที่พึ่งของเราหรือเปล่าเราพึ่งมันได้บ่างชอบไปพึ่งสิ่งที่พึ่งไม่ได้สิ่งที่พึ่งได้ไม่พึ่งทำ uh, ทำบังสารนังกัจฉามิธรรมะเป็นที่พึ่งของเราวันพระเป็นวันที่พพุทธเจ้าสอนให้เราเข้ามาหาธรรมะกัน ถ้ายังไม่มีธรรมะก็มาฟังเทศฟังธรรมเหมือนมารับยาถ้ามีธรรมะแล้วก็เอาไปปฏิบัติก็เหมือนรับประทานยาธรรมะนี้ก็เป็นเหญญาารักษาโรคทางร่างกายธรรมะเป็นยารักษาโรคทางใจความไม่สบายใจความทุกข์ใจยังไม่มีอะไรรักษาได้นอกจากธรรมะ ของพระพุทธเจ้าคือคาสั่งคำสอนที่เป็นเหมือนยาเวลาเราไม่สบายทางร่างกายเราก็ไปหาหมอหาหายาพอเราได้ยาแล้วเราก็ต้องรับประทานยาถ้าไม่รับประทานยายาจะวิเศษขนาดไหนก็ไม่สามารถรักษาโาครคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในร่างกายได้แต่พอรับประทานยาเข้าไปแนละ้ว โรคภัยต่างๆก็เริ่มลดลงแล้วก็หายไปในที่สุดธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจความทุกข์ใจต่างๆถ้าเรายังไม่มียายังไม่มีธรรมะยังไม่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าวันพระนี่แหละเป็นวันที่เรามารับยาจากสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าจากพระสงฆ์สาวก ผู้ที่สืบผู้ที่ได้รับยามาจากพระพุทธเจ้าอีกทอดหนึ่งแล้วก็เอามามอบให้กับพวกเราที่อยากจะรักษาความทุกข์ทางใจโรคภัยทางใจการฟังเทศฟังธรรมนี้เท่ากับเป็นการมารับยารับยาไปรับประทานถ้ารับยาไปแล้วฟังเทศแล้วไม่ได้นำมาไปปฏิบัติต่ตอ ทำเฉยๆก็เหมือนกับเอายาไปแต่ไม่ได้เอายาไปรับประารทานตามที่หมอสัง่งธรรมดาเราหาหาหมอหมอจะบอกอ่ะอยานี้ไปรับประทานวันรักษามืออ้อหลังอาหารก่อนนอนรับประทานครั้งละหนึ่งเม็ดสองเม็ดนี่คือยาที่หมอจะให้เรามารักษาทางร่างกาย อย่าของพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าไปรักษาศีลไปภาวนาไปรักษาศีลแปดกันรักษาศีลแปดภาวนากันถ้าเราไม่ไปรักษาศีลแปดไม่ภาวนาไม่นั่งสมาธิไม่เจริญปัญญาเราก็ไม่ได้รับประทานยาธรรมะจะวิเศษขนาดไหนก็ตา่าง แต่มันจะไม่ทำประโยชน์ให้กับเราได้ประโยชน์ธรรมะจะเกิดกับเราได้ก็ต่อเมื่อเราเอาธรรมะเข้ามาในใจเรากินยากินธรรมะวิธีกินยากินธรรมะก็คือปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลสมาธิปัปญญาศีลก็ต้องศีลแปดขึ้นไป ถ้ายังรักษาศีลแปดไม่ได้ก็ต้องหัดรักษาศีลห้าไปก่อนกำลังยังไม่พอก็รักษาศีลห้าก่อนพอรักษาได้แล้วต่อไปก็ขยับขึ้นมารักษาศีลแปดเป็นวันพระนี่ถ้าเรารักษาศีลห้าตามปกติได้แล้ววันพระเราก็ลองมารักษาศีลแปดกันนะ ถ้าเรารักษาศีลแปด ก, ก็แสดงว่าเราเริ่มรับประทานยาแล้วเริ่มเอาธรรมะเข้าสู่ใจแล้วแล้วถ้าเราภาวนาฝึกทาใจให้สงบเป็นสมาธิอันนี้ก็จะได้เอายาเข้าไปอีกละประทานตามที่หมอสัง่งมียาสองขนาดสามขนาดมีศีลมีสมาธิมีปัญญา ที่จะต้องรับประทานเข้าไปถึงจะรักษาความทุกข์ทางใจให้หายหมดสิ้นไปได้ถ้าเพียงแต่ฟังธรรมรู้ว่าศีลมีอะไรบ้างศีลห <c oughs> ้ามีอะไรบ้างศีลแปดมีอะไรบ้างสมาธิมีอะไรบ้างแบบมีสมาธิมีกี่แบบ <c oughs> ปัญญามีกี่แบบ ถ้ารู้อย่างนี้รู้ไปเฉยๆแต่ไม่นำเราออกไปปฏิบัติรู้ ก, ก็แบบไม่เปิดประโยชน์อะไรเป็นเหมือนความรู้ท่วงหัวเอาตัวแม่รอบเหมือนกับในสมัยพุทธกาลก็มีพระเทลรารูปหนึ่งท่านท่องคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หมดเลยจำได้หมดเทศนาว่าการต่างๆที่พระองค์ทรงเทศ ถ้ามีการจดบันทึกเอาไว้ท่านก็เอามาอ่านเอามาจดมาจำจำได้หมดเลยแต่พระพุทธเจ้าเวลาพบทีไรก็ไม่เคยชมพระลูกนี่เลยว่าเก่งฉลาดหรกลกับว่าเป็นใบลานเปล่าโง่ความรู้ท่วงหัวเอาตัวไม่รอดเพราะว่ายังทำใจให้พ้นจากความทุกข์ไม่ได้ ทุกครั้งที่เจอกขาพูดอย่างเนี้ยเธอเป็นเหมือนใบลานเปล่าอยู่ไปเปล่าเปล่าตายไปเปล่าเปล่าไม่ได้อะไรจากการมาเรียงรู้ธรรมะคาสอนของเราเลยพอพูดบ่อยๆเขาก็เลยเกิดความฉุกคิดขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าหมายความว่าความรู้เท็จ เ, เรียนนี้มันไม่พ อ, อ, อยังไม่ได้ปฏิบัติ ควาำสอนของพระเจ้านี้ท่านบอกว่าขั้นต้นต้อง ป, ปฏิบัติต้องศึกษาเรียกว่าปริยัติศึกษาแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นมามีธรรมะแล้วถ้าไม่ไปเอาไปปฏิบัติก็จะไม่ได้เห็นผลของธรรม คือการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปการยุติการเวียนว่าตายเกิดต้องเกิดจากการปฏิบัติแต่ก่อนจะปฏิบัติได้ก็ต้องเรียนรู้ก่อนถ้าไม่เรียนรู้แล้วไปปฏิบัติก็จะปฏิบัติแบบผิดๆถูกๆหรือผิดขั้นตอนถ้าปฏิบัติผิดขั้นตอนมันก็ไม่เกิดผลนะ เช่ก่อนที่จะไปทางปัญญานี้ต้องมีสมาธิก่อนถ้าจิตยังไม่รวมเป็นอัปปนาสมาธินี้ยังไม่มีกําลังยังไม่มีความสามารถที่จะไปเอาปัญญามาต่อสู้กับข้าศึกศัตรู<ม>คือเชื้อโรคที่ทําให้ใจไม่สบายได้ดังนั้นก่อนที่จะกินยาปัญญาต้องกินยาสมาธิก่อน พอมียาสมาธิแล้วก็ใหกินยาปัญญาก่อนที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องกินยาศีลก่อนต้องรักษาศีลแปดก่อนกอนถ้ารักษาศีลแปดยังไม่ได้ก็ต้องหัดรักษาศีลห้าไปก่อนศีลห้าไม่ได้ก็เอาศีลสี่ศีลสีไม่ได้ก็เอาศีลสามยังไงก็เอามาสักข้อหนึ่ง ห้าข้ อ, อยังรักษาไม่ได้เลยก็เอาทีละข้อก่อนก็ได้ห้าข้อนี้ข้อไหนง่ายที่สุดก็ทลองรักษาดูสุรายามเมาไม่ดื่มสุราได้ไหมถ้าไม่ดื่มได้ก็รักษาไปก่อนใครมาชวนไม่ดื่มก็ไม่ไปดื่มใครจารย์งานเลี้ยงฉลองวันเกิดฉลองวันอะไรให้ดื่มอวยพรก็ไม่ดื่มดื่มน้ำเปล่าดื่มน้ำส้มไปถานก็ได้ อวยพรไม่ได้อวยพรด้วยน้ำเหมือนอวยพรด้วยน้ําใจใช่ไ <c oughs> หมเดือมน้ําเปล่าก็ได้เดือมน้ําส้มก็ได้ <Okay. S 1> แล้วก็อวยพรไปรักษาศีลให้ได้ก่อนหัดรักษาศีลข้อหนึ่งยืมถ้าห้าข้อไม่ได้ก็รักษาศีลสามสองหนึ่งแล้วแต่กําลังเพิ่มขึ้นไป รักษาหนึ่งข้อได้ก็ลําเพิ่มเป็นสองข้อเพิ่มเป็นสามข้อเพิ่มไปเดียวก็ได้เองห้าข้อพอห้าข้อก็มารักษา8ดข้อถ้า8ดยังไม่ได้เอาแค่หกก่อนก็ได้เช่ mm hmm. นวันนี้วันพระลองงดการดูหนังฟังเพลงน้องนำทำเพลงออกไปเที่ยวข้างนอกไปหาความสุขจาก แหล่งบันเทิงมอหรสพต่างๆหรือจะนดกินข้าวเย็นก็ได้หรื อ, อนอนบนนอนบนพื้นแข็งๆไม่นอนบนฟูกหนาๆนอนไม่มาก น, นอนสักห้าชั่วโมงก็พอแล้วก็จะได้มีเวลามานั่งสมาธิกัน ถ้าไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเพื่อนมาชวนไปเที่ยวก็ไปได้เกินนี้แหมือลอยกระทงเลยสองจิตสองใจจะเอาอะไรดีจะเอาศีลดีหรือจะเอาเอาเอาความมันดีอ่านี่แหละเป็นข้อทดสอบพิสูจน์จิตใจว่าจะรักพี่หรือรักน้องรักธรรมะหรือรักกิเลส ถ้ารั ก, กิเลก็คืนนี้ก็ไปลอยกระทงกันรักธรรมะคืนนี้ก็อยู่บ้านหรืออยู่วาดกันแล้วก็นั่งสมาธิพุทโธพุทโธหรืหนอ น, นั่งดูลมหายใจเข้าออกทำใจให้สงบนี่คือการรับประทานยาขั้นต้นต้องไปขอยามาก่อนให้รู้วิธีว่า เราจะต้องปฏิบัติอะไรมัง่งเราต้องทําอะไรมัง่งเราต้องกินยาชนิดไหนมัง่งถ้าไม่เรียนเราก็จะไม่รู้ต้องฟังเทศฟังธรรมเราต้องฟังจากแหล่งที่รู้จริงเดี๋ยวไปฟังจากแหล่งที่ไม่รู้จริงเดี๋ยวก็ควายเขวได้สอนแบบผิดผิดถูกถูกสินเราต้องรู้ว่ามีมีกี่ชนิดสินห้าศีลแปดสินสิบสินสองอยี่สิบเจ็ด สินสามร้อยกว่านมีสินแต่ละช น, นิดเหมาะกับบุคคลแต่ละประเภทผู้ครองเรือนที่มีครอบครัวมีสามีภรรยายังมีกิจการการงานอยู่มีภารกิจการงานต้องทำมากินก็อาจจะถือสินห้าสินแปดนี่อาจจะถือเฉพาะวันหยุดทำงานวันที่ว่างไม่ต้องทำงาน ถ้าวันธรรมดาก็ถือสีห้าไปแต่สำหรับผู้ที่มีเวลาว่างไม่ต้องไปทำมาหากินก็ถือสีแปดได้สีแปดหรือถ้าไปบวชถ้าเป็นสัมมนเนนก็ถือสีสิบถ้าบวชเป็นพระก็สีสอง7้อยยิบเจ็ดถ้าเป็นพิชุนีก็สามร้อยกว่านี่คือสีช น, นิดต่างๆ เราก็ต้องดูสถานภาพของเราว่าเราอยู่ในสถานภาพไหนเหมาะกับศีลชนิดไหนถ้าเรายังต้องไปทํามาหากินทำงานทำการเลี้ยงครอบครัวอย่างนี้ก็ศีลแปดก็อาจจะทำไม่ไหวรักษาไม่ได้อาจจะรักษาแล้วรักษาไม่ได้ก็จะเกิดความท้อแท้ขึ้นมาแล้วก็อาจจะไม่รักษาเลยนีอ เราก็ต้องดูว่าอ๋อศี่แปดเรารักษาไม่ได้สีลที่เรารักษาได้ก็คือศีลห้าพระพุทธเจ้าให้ผู้ครองเรือนผู้ที่มีครอบครัวผู้ที่มีภาระจิตการงานให้รักษาศี่ห้าแล้วก็ให้ทําบุญแบ่งปันได้เงินทองมามีเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือเพื่อนสัตว์เลี้ยฉานก็ได้ เพาทุกคนที่เดือดร้อนเขาก็ต้องการความช่วยเหลือเพราะเขาช่วยตัวเขาเองไม่ได้เขาอาจจะพิการไม่สบายตกงานหรือมีเหตุอะไรที่ทําให้เขาไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเขาเองได้ถ้าเราพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ควรจะช่วยเหลือกันเราจะมีความสุขจากการทําบุญ ความสุขที่ทำบุญนี่เดียวความสุขที่ไปเที่ยวเงินก้อนเดียวกันเนี้ยไปเที่ยวกับการไปทำบุญทำบุญจะให้ความสุขกว่าแล้วจะทำให้เร า, เาไม่ติดเที่ยวถ้าเราเที่ยวแล้วเราจะติดจะต้องเที่ยวอยู่เรื่อยเวลาไม่ได้เที่ยวก็จะทุกข์จะไม่สบายใจแต่ถ้าเราเอาเงินที่จะไปเที่ยวมาทำบุญเราก็จะไม่ได้เที่ยว พไม่เที่ยวเราก็จะไม่ติดเที่ยวเวลาไม่ได้ไปเที่ยวเราก็จะไม่รู้สึกทุกข์รู้เดือดร้อนอย่างคืนนี้ถ้าเราไม่เคยไปเที่ยวลอยกระทงเราก็ไม่ไปก็เหมืนมีปัญหาเลยแต่คนที่เคยไปเที่ยวทุกปีทุกปีนี่พอถึงเวลาก็ต้องไปเพราะมันติดทำอะไรแล้วมันติดหากไถ้าไม่ได้ไปก็ไม่สบายใจเสียใจ นี่คือสำหรับผู้ที่ยังมีภารกิจการงานมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อตนเองก็ <c oughs> ต้องอย่างน้อยก็ต้องรักษาสีหน้าให้ได้แล้วก็ทำบุญเพราะถ้าทำได้สองข้อนี้พระพุทธเจ้ารับประกันว่าตายไปไม่ไปเกิดอาบายตายไปได้ไปสวรรค์ได้ไปเป็นเทพชั้นต่างๆ เป็นเทพชั้นสูงก็อยู่ที่บุญที่เราทํายิ่งทํามากความสุขก็มากขึ้นความสุขมากก็ก็เป็นเทพที่ชั้นสูงขึ้นไปเทพที่ก็แบ่งชั้นก็แบ่งที่ความสุขเนี่ยความสุขแต่เทพแต่ละชั้นนี่จะมีมากน้อยต่างกันเกิดจากการทําบุญของเรา<ม>ที่ทํามากน้อยแล้วก็ถ้าเรารักษาศีลห้าได้โอกาสที่เราจะไปใช้ ไปเกิดในอบายก็จะไม่มีไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นทศวรรกายไม่ต้องไปตกนรกถ้าละรักษาศีลท้าได้คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาเราก็จะปลอดภัยจากการที่จะต้อง ไปใช้กรรมใช้บาปในอบายตายไปล้าก็ถ้าไม่ได้ทำบุญเลย <c oughs> ก็กลับมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเป็นไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าได้ทำบุญด้วยก็ไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวในสวรรค์ก่อนไปเที่ยวในส <c oughs> วรรค์ก็เหมือนที่เราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยคล้ายๆกันมีแต่ความสุขคนไปเที่ยวนี้มีแต่ความสุขวราไม่ต้องหาเงินไม่ต้องทางาน มีแต่ใช้เงินมีแต่หาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเวลาที่เราตายไปถ้าเรามีบุญติดตัวไปไม่มีบาปเราก็จะไปเที่ยวในสวรรค์ชั้นต่างๆพอบุญที่เราหามาได้หมดเหมือนกันเงินเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศพอเงินหมดเราก็ต้องกลับบ้านกลับมาทำงานมาหาเงินใหม่ พอบุญหมดเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปมาทำอะไรต่อตามนิสัยของเราถ้านิสัยของเราเคยชอบทาบุญเราก็จะกลับมาทำบุญต่อนิสัยเราชอบรักษาศีลเราก็จะกลับมารักษาศีลต่อในทางตรงกันข้ามถ้าเราชอบทำบาปตายไปเราก็ต้องไปใช้บาปในบาย ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเป็ตบ้างเป็นนอสูรลกายบ้างไปตกนรกบ้างพอใช่บาปหมดแล้วเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปพวกนี้เหมือนพวกที่เขาถูกจับไปขังไว้ในคุกพอพ้นโทษเขาก็ปล่อยออกมาปล่อยออกมาให้อยู่ให้กลับมาทำมาห า, หากินหาอะไรหาเงินหาทองแต่ถ้านิสัยเดิมยังไม่ไม่เปลี่ยนยังไม่ยังยัง ยังใช้นิสัยเดินอยู่พ อ, อ, อมาออกจากคุกออกมาก็จะมาทำบาปต่อเคยฆ่าสัตว์รักทรัพย์ก็จะทำต่อเคยประพฤติิดประเวณีเคยโกหกหลอกลวงก็จะทำต่อเพราะมันเป็นนิสยัยนิสัยนี้มันไม่ได้หายไปเวลาที่เราตายไปเวลาที่เราไปรับผลบุญผลบาปนี้นิสัยมันไม่หายนิสัยมันติดตัวเรามาเหมือนกับสิ่งที่ยัง ที่เราถนัดมือซ้ายมือขวาเนี่ยมันติดตัวเรามาเราเราเคยใช้มือขวาเดี๋ยวกลับมาชาติหน้าก็ใช้มือขวาอีกมันเป็นนิสัยชอบสีอะไรมันก็จะมาชอบเหมือนเดิมเลียดสีอะไรเกลียดรถชนิดไหนชอบรถชนิดไหนชอบภาพชนิดไหนรูปชนิดไหนรูปชนิดไหนไม่ชอบพวกนี้มันจะมาความชอบไม่ชอบนี้มันเป็นส่วนของจิตใจ ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเรื่องชอบไม่ชอบนี่ไม่ต้องมีใครสอนเราเลยใช่ไหมพ่อแม่เอาของบางอย่างให้กินไม่เอาไม่เอาไม่ชอบพ่อแม่ชอบแต่ทำไมลูกไม่ชอบก็เพราะว่าลูกไม่ได้เอาความชอบไม่ชอบมาจากพ่อแม่ลูกเอาความชอบไม่ชอบจากนิสัยคาว่านิสัยก็คือกรรมอะไรที่เราทำเป็นประจำมันก็เป็นนิสัยขึ้นมา ท่านหนึ่งบอกว่าเรามีกรรมเป็นผู้ให้กาเนิดพ่อแม่ให้กาเนิดทางร่างกายให้รูปร่างหน้าตาร่างกายเรานี่เหมือนของพ่อแม่ใช่ไอแต่นิสัยเราไม่เหมือนใช่ไมบางทีอาจจะเหมือนบางทีอาจจะไม่เหมือนถ้าเหมือนก็เพราะว่ามันบังเอิญมีนิสัยคล้ายกันแต่ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่นิสัยมาจากกรรมกรรมที่เราทาทาแล้วมันก็มันก็จะติดเป็นนิสัยไป เคยชอบอะไรมันก็จะชอบเจออะไรเจออะไรก็จะเอามันเจอของที่ไม่ชอบเจอมันก็เขีย่ยทิ้งเขีย่ยทิ้งไม่เอานี่มันจะติดเป็นนิสัยมาหลังจากที่เราไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปแล้วเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ามาจากอบายก็เหมือนออกจากคุกมาเวลาเข้าคุกเข้าเพราะอะไรเพราะทำบาปพอออกมานอกคุกเดี๋ยวก็ทำบาปต่อ นิสัยเตะติดมาลงที่ไปเที่ยวกลับมาก็นิสัยที่ทำให้เขาไปเที่ยวก็คือเขาทำบุญเขาไม่ทำบาปกลับมาเขาก็มาทำบุญต่อมารักษาสศีลต่อแล้วเราเปลี่ยนนิสัยเหล่านี้ได้ไหมก็เปลี่ยนได้แต่เราจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อหนึ่งอาจจะถูกบังคับเช่นเวลาเป็นเด็กต้องอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ น่สัยเราชอบทําบาปแต่ครอบครัวคือพ่อแม่ชอบทําบุญไม่ทําบาปเขาก็จะห้ามเราสอนเราแล้วเราก็เชื่อเราดอกเป็นเด็กเราก็ต้องทําตามเขาทําไปบ่อยๆก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยเก่าได้ถ้ามันไม่เป็นสันดานเปลี่ยนนิสัยจากการที่เคยทําบาปมัไม่ทําบุญมากลับมาทําทําบุญไม่ทําบาป พ่อพ่อแม่คอยสอนคอยพาไปเข้าวัดวันพระก็พาเข้าวัดไปทําบุญวันธรรมดาก็สั่งให้ลูกตักบาตรพระมาที่บ้านก็สอนให้มันตักบาตรถึงแม้่มันจะไม่ได้บุญจากการตักบาตรเพราะมันของไม่ใช่เป็นของมันแต่มันจะได้เปลี่ยนนิสัยได้ได้ฝึกนิสัยที่ดีก็เป็นบุญอีกอย่างหนึง่ง ไม่ได้บุญที่เกิดจากการให้ทานแต่เป็นบุญที่เกิดจากการได้ทำความดีทำไปเรื่อยๆเด็กถ้าทำตั้งแต่เด็กมาพอโตมันก็จะติดนิสัยมีเด็กคนหนึ่งที่เราไปบินาบาเนี่เขาใส่บาทนั้งแต่อยู่ปนหนึ่งตอนนี้เขาจบไปเริญญาไปทำงานเขาก็ยังใส่บาตททุ้เช้าก่อนไปทำงานบาสนะพอทำแล้วมันติดมันมีความสุข ก็เล ย, ยนเดยนี้อายุสามสิบกว่าแนละ้วตั้งแต่เรามาอยู่บ้านอำเภอเราก็อยู่มินบาบะสายบ้านอํเภอนี้ก็เกือบสาสิบปีสามสิบกว่าปี sidewalk. ปีสองเจ็ดสามสิบสามปีก็เห็นเขาตั้งแต่อยู่ปหนึ่งบางท่านก็เรียนจบมหาลัยได้งานทำํำเขาก็ยังสายบาตทุกวันก่อนที่จะไปทํางาน ทำอะไรแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยไปตอนนี้ก็มีเด็กอยู่คนหนึ่งพ่อแม่ก็ต้องบังคับมันเกี้ยวเข่งมันต้องเรียกมันมันไม่ยอมมันจะนั่งดูทีวีอย่างเดียวอันนี้อยู่ป .1 ป .2 เรียกมันมาก็หน้าบึ้งหน้าตึงตอนหลังเราบอกพ่อแม่อย่าไปเรียกมันปล่อยมันสักพักมันถ้มันอย่าไปยุ่งกับมันก็ไม่ปล่อยมันไปหลายเดือนเนี้ แล้เดี๋ยวอยู่ดีวันดีเกิดี อ, อยากจะมาใส่นะแล้วตอนนี้เริ่มกลับมาใส่แนละ้วทุกวันเราก็ฝากนมให้มันฝากนมให้มั น, นมีอะไรล่อมันหน่อยอนี้มันก็เริ่มมาใส่บาทนะและวแล้วไม่น่าเบื้องตึงนะแล้วเมื่อก่อนนี่หน่าเบื่อตึงนี่เหมือนจะถูกบังคับนี่ยนต่อมาไม่บังคับแล้วนะก็ นอามันดีกว่าทีนี้ก็เลยมาใส่นะเนี่ยมันก็จะได้เปลี่ยนนิสัยนิสัยเดิมมันไม่เคยทำบุญไม่ชอบทำบุญพอแม่เรียกมันมายังไงมันก็ไม่มามาก็บึ้งตึงใส่แบบขอไปทีเสียไม่ได้ก็เลยเราบอกอย่าไปบังคับมันเลยปล่อยมันไปลแล้วสัก ไม่รู้กี่เดือนเนี่ยมันอยู่ดีๆมาเริ่มมาใส่บาทแล้วไม่รู้จจใส่ได้ไปสักกี่วันนี่ก็คือเรื่องนิสัยที่พอจะเปลี่ยนได้เนี่ยพ่อแม่มีมีคุณค่าต่อลูกก็ตรงเนี้ยที่จะมาเปลี่ยนนิสัยของลูกถ้าเห็นว่าลูกมีนิสัยไม่ดีก็อบรมเขาสอนเขาฝึกเขาเพราะเด็กเองเป็นเหมือนไม้ไม้อ่อน ไม่อ่อนดัดง่ายถ้าโตแล้วนี่มันดัดยากดัดก็หักจะต่อต้านนงั้นตอนเด็กๆนี่ถ้ายัางพอโน้มน้าวเขาได้ก็นโน้มน้าวแต่ ถ, ถ้าถึงขีดที่เขาเริ่มต่อต้านแล้วก็ต้องหยุดแสดงว่ามันอันนี้มันสันดาณแลละไม่ใช่นิสยัยละก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเขามีสันดาลของเขามาอย่างนี้ แต่เราก็ก<ๆ>็พยายามพยายามโน้มน้าเขอไปเท่เาเล็กเท่เ า, า, า, าน้อยได้บ้างไม่ได้บ้างก็สุดแท้แต่บางทีก็ต้องหาอุบายหลอกมันมาเป็นเพื่อนหน่อยไปวัดไปมาเป็นเพื่อนแม่หน่อยแะไปคนเดียวมันไม่ไม่สะดวกมีคนช่วยถือข้าวถือของหน่อยมันก็อาจจะไปไปเพื่อแม่อาจจะไม่ได้ไปเพื่อมัน แต่ถ้าไปบ่อยๆมันก็อาจจะติดนิสัยไปไปแล้วอาจจะได้สัมผัสเนี่ยมานาั่งมานั่งฟังเทศฟังธรรมก็อาจจะได้ได้ความรู้ได้ประโยชน์เห็นว่าได้เรียนรู้สิ่งที่ตอนเองไม่รู้มาก่อนแล้วก็ทำให้หูตาสว่างขึ้นก็อาจจะสนใจอย่างยางธรรมเนียมที่ให้ให้ลูกมาบวชเนี่ย ก็เหมือนเป็นอุบายดึงพ่อแม่เข้าวัดนพ่อแม่บางทีมวัวแต่ทำมาหากินไม่มีเวลาเวลาที่จะมาเข้าวัดพอลูกมาบวชนี่มาเป็นประจำเลยอย่างน้อยก็อาทิตย์วันพระนี่ก็จะลองมาไม่วันพระก็วันเสาร์วันอาทิตย์วันที่เขว่างแล้วพอดีมาบ่อยๆก็ติดใจฟังเทศฟังธรรมได้ทำบุญได้ใส่บาตรได้รักษาศีลได้เห็น ผลที่เกิดจากการทำบุญใส่บาตรรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมก็ติดใจลูกศึกไปแล้วก็ยังมาอยู่ก็มีเมื่อก่อนลูกบวชไม่ได้บวชไม่เคยเข้าวัดเลยอ้างนูน่นอ้างนี่ไม่ว่างมีภารากิจมีอะไร ย, ยุ่งไปหมดแต่พอลูกมาบวชนี่อ้างไม่ออกเพาะข่วงลูกคิดถึงลูกอะไรมา มาทำบุญมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วได้ผลมีความสุขได้ความรู้สามารถแก้ปัญหาความทังใจได้เมื่อก่อนมีมีความทุกข์แก้ไม่ได้ไม่รู้จะแก้ยังไงแต่วันนี้พอมาฟังเทศฟังธรรมรู้แล้วว่าสาเหตุจากความทุกข์เกิดจากอะไรก็พยายามหยุดสาเหตุนั้นให้ได้ หยุดได้แล้วความทุกข์มันก็จะหายไปไม่ต้องไปเหนื่อยไปแก้กับคนนั่นคนนี้เมื่อก่อนนี้เวลามีความทุกข์ก็ต้องไปแก้กับสิ่งที่เราทุกข์ใช่ไหมมีทุกข์กับลูกก็พยายามที่จะไปแก้ที่ลูกทุกข์กับสามีก็ไปแก้ที่สามีทุกข์กับภรรยาก็ไปแก้ที่ภรรยาแก้บางทีก็แก้ได้บางทีก็ไม่ได้ถ้าเขายอมแก้ก็แก้ได้ถ้าเขาไม่ยอมแก้ก็แก้ไม่ได้ แก้ได้เดี๋ยวเกิดเขาเปลี่ยนไปอีกก็ทุกข์อีกเพราะเราไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุนะต้นเหตุก็คือใจของเราความอยากของเราอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอยากให้ลูกทำอย่างนี้พอเขาไม่ทำก็มไม่สบายใจหนึ่งถ้าเรามาคน้นได้ามาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้ว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเรา อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราก็ไม่ทำเราก็ไม่สบายใจข้น <c oughs> มาแล้วเราไปสั่งก็ได้หรือเปล่าห้ามก็ได้หรือเปล่าถ้าสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เราก็ต้องมาเรามาเปลี่ยนใจเราไม่ดีกว่าใจเราเปลี่ยนได้ก็ <c oughs> อยากจะไปซื้ออะไรพอเปลี่ยนใจไม่ไปไม่ซื้อก็ได้วะมันก็เปลี่ยนได้ ที่ยากจะซื้อของบางอย่างเงินไม่พอก็อวดเหอิดรำคาญใจแล้วก็ปองว่ามาไม่มีเงินก็ไม่หลังซื้อมันพอเปลี่ยนใจไม่ซื้อมันปั๊บความไม่สบายใจมันก็หายไปอยากจะให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเขาไม่เป็นก็ช่างมันช่วยไม่ได้เราก็พยายามที่สุดแล้วมันเหมือนกับจะไปเปลี่ยนกล้วยให้มันเป็นส้มนี่มันคงจะยากมันจะเป็นกล้วยของมันอยู่อย่างนั้น แล้วพห้มันเป็นส้มได้ยังไงเรามาเปลี่ยนใจเราดีกว่าอ้าวส้มก็ส้มมะกล้วยก็กล้วยมะอย่างนี้แล้วเราก็จะสบายใจนพอเขาได้ฟังเทศฟังธรรมเขาเริ่มรู้มิเริ่มเห็นประโยชน์ที่เกิดจากการที่ได้ยินได้ฟังธรรมก็าสามารถเอาไปแก้ความไม่สบายใจของเขาได้เขาก็เลยติดใจอยากจะศึกษาเพิ่มขึ้น พราะก็ยังมีอะไรหลายอย่างที่ก็ยังแก้ไม่ได้แล้วฟังธรรมเขาก็จะรู้ว่าที่ยังแก้ไม่ได้ับเพราะกำลังไม่มีใจไม่มีกำลังพอปัญหาบางอย่างมันเป็นปัญหาเล็กน้อยไม่ต้องใช้กำลังมากเปลี่ยนใจได้ง่ายแต่ของบางอย่างนี้เปลี่ยนได้ยากจะเปลี่ยนใจได้ก็ต้องสร้างสร้างกำลังของใจให้มากขึ้นสิ่งที่จะมาเป็นกาลังของใจก็คือ สติปัญญาก็เลยแล้วสติปัญญาก็จะเกิดได้ก็ต้องมีศีลต้องมีศีลแปดพอจะได้มีเวลามาฝึกสติถ้าไม่มีศีลแปก็เดี๋ยวก็ไปเที่ยวกันคืนนี้ก็ไปเที่ยวกันถ้าถือศีลแปดคืนนี้ทางที่จะไปเที่ยวก็ไปฝึกสติกันเดินจงกรมนั่งสมาธิกันสร้างพลังจิตให้เกิดขึ้น ถ้ามีสติมากขึ้นปัญญามากขึ้นต่อไป mm hmm. ก็จะหยุดความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความไม่สบายใจให้กับเราได้เ mm hmm. มื่อก่อนแก้ไม่ได้พอมีกำลังมากขึ้นก็จะแก้ได้ mm hmm. ต่อไปความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากนี้จะหายไปหมดถ้าเรามีสติมีปัญญาเต็มร้อย นี่คือเรื่องของการมาฟังเทศน์ฟังธรรมมารับยามาเรียนรู้วิธีที่จะไปปฏิบัติเอาธรรมะเข้าสู่ใจธรรมะที่เราจะต้องเอาเข้าสู่ใจก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสติสมาธิปัญญาเนี่ยพอเรารู้แล้วขั้นต่อไปก็คือเราต้องปฏิบัติถ้ารู้แล้วไม่ปฏิบัติมันก็ ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนได้รับยาจากหมอแล้วไม่แปลออกไปรับประทานรับยาไปแล้วก็วางไว้เฉยๆแล้วก็มานั่งรอให้โรคภัยไข้เจ็บมาถายมันไม่หายหรอกการไปรับยาไม่ได้ทําให้โรคภายไข้เจ็บหายคนบางคนก็คิดว่าการมาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็จะบรรลุธรรมโดยอัตโนมัติเพราะในสมัยพุทธกาลมันบรรลุ ก, กันเยอะแยะเลยใช่ไหม คนนี้ฟังปั๊บรรลุคนนั้นฟังปั๊บรรลุเราทําไมฟังปั๊บมันไม่บรรลุกว่าเขาก <c oughs> อเพราะว่าเราไม่มีธรรมะในใจเราลองรับธรรมปัญญาของพระพุทธเจ้าเราไม่มีศรรมีลไม่มีสมาธิพอพระพุทธเจ้าแสดงปัญญาเราก็ไม่สามารถที่จะไปฆ่ากิเลสได้แต่ถ้าเรามีศรรมีลมีสมาธิเต็มร้อยเนี่ย พอได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าปั๊บเนี่ยมันจะเอาไปฆ่ากิเลสดับตัณหาแลยับความทุกข์ได้ทันทีเลยในขณะที่ฟังธรรมพระอัญญาณโกนทะญะเป็นคนแรกที่บรรลุธรรมด้วยการฟังธรรมเพราะเป็นการฟังธรรมครั้งแรกเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็แสนฉลาดเลือกคนฟังไม่ไปสอนคนที่มัน มันโมอสอนไปแล้วก็ปักมันก็ไม่เกิดไปอยู่อะไรพวกทัพพีในหมอแกงครับไม่ไปสอนต้อนไปสอนพวกลิ้นกับแกงก่อนพวกลิ้นกับแกงก็คือพวกที่มีศีลแล้วมีสมาธิแล้วเนี่ยยุคแรกๆมีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้กับนักบวชก่อนนกลุ่มแรกก็คือพระปัญจวัคคีย์ห้ารูปที่ได้ปฏิบัติกับพระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้ารู้พวกนี้มีศีล มีสมาธิเต็มร้อยอยู่แล้วแต่ไม่มีปัญญาเหมือนกับพระพุทธเจ้าตอนต้นตอนหลังพระพุทธเจ้าต้องแยกตัวออกไปเพื่อที่จะไปค้นหาปัญญาพอพบปัญญาแล้วพบอริยสัจสีแล้วพบต้นเหตุของความทุกข์แล้วว่าเกิดจากความอยากพบต้นเหตุของการดับความทุกข์แล้วคือปัญญาคือรู้ว่านี่แหละถ้าอยากจะดับทุกข์ก็ต้องหยุด หยุดความอยากจะหยุดความอยากต้องยอมรับความจริงที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับความจริงอยากให้ความจริงเป็นไปตามความอยากของเราเป็นความจริงคือร่างกายของเรามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราไม่ต้องการให้มันแก่ไม่ต้องการให้มันเจ็บไม่ต้องการให้มันตายความอยากของเรามันขัดกับความจริงมันก็เลยทำให้เราทุกข์อ เราเห็นว่าถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องรับความจริงต้องอยู่กับความจริงอย่าไปอยู่กับความอยากถ้าอยู่กับความจริงแล้วใจจะไม่ทุกข์อยู่กับความแก่ได้จะไม่ทุกข์อยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วได้จะไม่ทุกข์อยู่กับความตายได้จะไม่ทุกข์อยู่กับคนที่เราไม่ชอบอยู่ด้วยจะไม่ทุกข์ถ้าไม่อยากอยู่เขาจะทุกข์ <sho. inhale> ถ้า อยู่กับเขาได้ปล่อยเขาไปเขาไม่ชอบเราไม่ชอบเขาเขาเป็นอย่างนั้นก็เรื่องของเขาอย่าไปอยากไม่อยู่กับเขาถ้าเกิดความอยากไม่อยู่กับเขามันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีไม่อยากอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ไม่อยากอยู่กับความแก่ก็ทุกข์ไม่อยากอยู่กับความตายก็ทุกข์ต้องเห็นความจริงว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยง ม, มันไม่ใช่ของที่เราไปสั่งได้ห้ามได้เปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนให้ส้มให้เป็นกล้วยไม่ได้อย่าส้มก็ต้องอยู่กับส้มไปก็ลองเปลี่ยนแล้วพยายามแล้วสอนมันให้เปลี่ยนแล้วตัวกล้วยนะ่มันเปลี่ยนได้ถ้ามันอยากจะเปลี่ยนบอกให้มันเปลี่ยนเป็นส้มได้บอกให้คนไม่ดีเป็นคนดีได้ถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนเห็นไหมองคุลิมาพระพุทธเจ้าก็บอกก็ว่า เธอกำเป็นเธอกำลังเป็นคนไม่ดีนะเธอต้องปรับตัวเธอเองให้เป็นคนดีพอบอกปั๊บองค์พุริมาลก็ปรับตัวเองเจากมหาโจรมากลายเป็นผ้าหลานขึ้นมาเปลี่ยนได้แต่ต้องตัวเขาเองต้องเปลี่ยนเราเพียงแต่บอกเขาได้เท่านั้นเองสอนเขาได้สอนลุกได้ว่าลูกทำอย่างนี้ไม่ดีนะลูกต้องทำอย่างนี้จะดีกว่าบอกได้เท่านั้นแต่จะให้เขาทำบังคับให้เขาทำนี่บังคับก็ไม่ได้ เราก็ไม่ยอมทําได้อย่างยิ่งห้ามยิ่งยุงั้นก็บอกแล้วก็พออย่าไปทําให้เขาลาคาญยิ่งฝังงลาคาญเขายิ่งต่อต้านบอกแล้วให้เขารู้แล้วว่าเขาตอนนี้ตัวเขาไม่ดีเขาควรจะปรับตัวเองให้ดีขึ้นแต่ถ้าเขาไม่ยอมปรับก็ช่วยไม่ได้เพราะคนที่จะทุกข์ไม่ใช่เราคนที่จะรับกับผลมันไม่ใช่เรากต็ตัวเขาเองนั่นเอง แต่เขากลับไม่ทุกข์แล้วกลับไปทุกข์แทนเขาเพราะเรารักเขาเราหลงเขาคิดว่าเขาเป็นของเราก็เลยอยากให้เขาดีพอเขาไม่ดีเราเลยทุกข์ที่เราต้องมองความจริงว่าเราไม่ใช่เขาเขาไม่ใช่เราเราไปห้ามเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้พอเราไม่ไปห้ามเขาไม่เปลี่ยนเขาแล้ว เ, เพียงแต่สอนเขาเราก็จะไม่ทุกข์ อนี่คือปัญญาพราะพุทธเจ้าแสดงธรรมให้กับผู้ที่มีพลังที่จะเปลี่ยนใจเขาได้พลิกใจเขาได้การจะพลิกใจจากจากมหาโจรมาเป็นามาเป็นพระอรหันต์อย่างองค์กลิมานก็ต้องมีสมาธินี่ถ้าจิตรวมแล้วทีนี้สามารถพลิกจิตไปได้ด้านไหนก็ได้ตอนตอน้ตนต้องหยุดมันพลิกจิตจากพลิกจิตจากจิตที่ฟุ้งซ่านมาให้เป็นจิตที่สงบให้ได้ พอเราพลิกจิตได้แล้วต่อไปเราก็พิกมันได้เวลามันจะฟุ้งเราก็พิกมันให้สงบได้เวลามันจะไปทำบาปทำกรรมก็หยุดมันได้เวลามันจะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็หยุดมันได้หยุดด้วยกําลังของสมาธิด้วยคำสอนด้วยความชี้แจงของปัญญาว่าทำไมควจะหยุดเพราะไม่หยุดแล้วมันทำให้เราทุกข์ทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อย ถ้าเราทำตามความอยากถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดไม่อยากจะกลับมาแก่มาเจ็บมาตายก็ต้องหยุดความอยากต่างๆนี่คือปัญญามีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิพวกเรามันยุทธ์ที่อยู่ในยุคที่มีแต่ปัญญาสมาธิไม่มีฟังเทศกันเป็นร้อยกันพันกันมีเทศมีหนังสือเต็มบ้านแต่ไม่มีสมาธิตัวเดียว ฟังไปแล้วเทศไปแล้วก็ไม่สามารถพลิกใจพลิกใจที่วุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้ให้มาสงบได้ก็เพราะว่าไม่มีกำลังที่จะพลิกมันไม่มีสมาธิไม่มีสติเราต้องมาฝึกสติยุคของพวกเราสลับกันกับยุคของพระยุคของพระพุทธเจ้ายุคตอนที่พระเจ้าทรงบาเพ็ญนั้นมีสมาธิกันทุกคน พระปัญจวัคคีย์พระพุทธเจ้าเนี่ยไปเรียนกับอาจารย์ที่สอนให้เข้าสมาธิเข้าฌานเข้าฌานกันได้แต่ไม่มีใครมีปัญญาไม่มีใครรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของความทุกข์ใจและจะทํำยังไงถึงให้ความทุกข์ใจใหายไปจนพระพุทธเจ้าคนพบคนได้พบว่าสาเหตุของความทุกข์ใจก็อยู่ที่ความอยากนี้เอง ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็หยุดความอยากจะหยุดได้ก็ต้องมองว่าสิ่งที่เราอยากได้ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะทำให้เราทุกข์ได้มาล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันจากเราไปาะไม่มีอะไรของในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดเดี๋ยวต้องมีการจากกันสามีของเราภรรยาของเราลูกของเราเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปกันคนละทิศคนละทางร่างกายของเรามันก็เหมือนกัน ที่เราทุกเพราะเราไม่อยากให้มันจากเราอยากจะอยู่กันไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเราต้องมองความจริงแล้วเราก็จะได้เห็นว่าอยากไปก็ไร้ประโยชน์อยากไปก็ทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ถ้ามีกําลังมีสมาธิมีสติก็สามารถหยุดความอยากได้พระพุทธเจ้าแสดงทําให้พระปัญจวคี นึงในพระบัญชาวะคีนี้เข้าใจก่อนเลยเข้าใจว่าต้องหยุดความอยากเพราะว่าสิ่งที่เราอยากมันมันมันเกิดขึ้นแล้วมันต้องดับไปเป็นธรรมดาปัญญ<ม>าอ่อนทยะยามีดวงตาเห็นธรรมนะอย่าว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาพวกเราก็เห็นเพียงแต่เราเห็นแบบไม่ยอมรับแต่ท่านเห็นแบบยอมรับพอท่านเห็นแบบยอมรับท่านก็หยุดความอยากให้ ให้สิ่งที่เกิดไม่ดับให้มันดับไปาะเรามีอะไรได้อะไรมาแล้วมักจะไม่อยากให้มันดับใช่อยากจะให้มันอยู่กับเราไปตลอดเราเลยทุกข์เราเลยกังวลกับมันกลัวว่ามันจะดับแล้วพอมันดับเข้ามาจริงๆก็ทุกข์อีกแต่ถ้าเรารู้ว่ามันต้องดับยอมรับมันว่ามันต้องดับเตรียมตัวให้มันดับเราจะไม่ทุกข์กับมันเลยอยู่กับมันได้ มีอะไรก็อยู่กับมันไปแต่รู้ว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปนี่ถ้ามีสมาธิก็จะหยุดความอยากได้ยอมรับความจริงได้แต่ถ้าไม่มีสมาธิมีปัญญาก็ไม่สามารถทำให้ใจรับความจริงได้ใจมันก็ยังอยากอยู่อย่งั้นยังทุกอยู่องนั้นเพราะเราไม่สามารถหยุดมันแต่ถ้าเรามีสมาธิ ทำจิตให้สงบได้เราก็จะหยุดมันได้เราต้องมาฝึกสติกันสมัยนี้เรามีปัญญากันเยอะแยะแล้วยั้นเวลาปฏิบัตินี้ขั้นต้นอย่างบอกไม่ต้องไปกัวงวลเรื่องปัญญาให้มากนะบางเทศวันละครั้งสองครั้งวันละครั้งก็ได้ปัญญาเหลือเฟือแล้วแต่สิ่งที่เราไม่ได้กันก็คือสติเนี่ยไม่ได้อัปปนาสมาธิจิตไม่รวมเป็นหนึ่ง ถ้าเจ็ดไม่รวมเป็นหนึ่งต่อให้ฟังเทศฟังธรรมแบบที่ใบาลานเปล่าก็เหมือนกับพวกใบาลานเปล่าเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยเธอเป็นใบาลานเปล่าพูดบ่อยๆเข้าก็เลยรู้ว่ากูต้องไปปฏิบัตินะมีแต่ปัญญาไม่มีสมาธิก็เลยไปอยู่กับสำนักพระอรหรันต์พระอรหันต์ในสำนักนั้นมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นแม้แต่าสามเณรก็เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ที่เป็น พระเขาก็ไม่ยอมสอนบอกท่านเป็นพระเทระเราเป็นพระพรรษาน้อยกว่าไม่อยากจะสอนผู้ใหญ่ก็เลยโยนให้สัมมาเนยลองใจดูว่ายอมรับสัมมาเนยเป็นครูเป็นอาจารย์หรือเปล่ววาแต่ท่านก็มีความแน่วแน่มีความตั้งใจที่จะศึกษาปฏิบัติกับผู้ที่รู้จริงเห็นจริงก็ยอมรับเอาสัมมเนยมาเป็นอาจารย์กราบสัมมเนรปกติสัมมเณต้องกราบพระ แต่นี่พระั้องไปกราบสัมมนเนยในฐานะที่เป็นอาจารย์แล้วก็รับใช้สัมมนเนยล้างบาทให้สัมมนเนยกวาดถูสาลาให้สัมมนเมมนยสามเนยใช้ให้ไปทําอะไรก็ไปใช้ให้ลุยลงไปในน้ําไปหยิบของก็ต้องลงไปลงไปแล้วเปลี่ยนใจไม่เอาก็ต้องกลับมาต้องไม่โกรธไม่ไม่ยังข่ารลบเชื่อฟังทุกอย่าง เราเ่ฟังแล้วสา ม, มเองก็เลยบอกวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือสมรวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมาควบคุมใจคือความคิดเนี่ยสมรวมตาหูจมูกลิ้นกายก็คือศีลแปดเนี่ยอย่าส่งอตาหูจมูกลิ้นกายไปหาลูกเสียงกิ่นรถอย่าไปหาอาหารอาหารกินมื้อเดียวก็พอกินกินก่อนเที่ยงก็พอไม่ต้องส่งไปหา บ, บันเทิงมหัศสศพต่างๆอันนี้ไม่สัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายสัมรวมก็คือปิดทวารทั้งห้าไม่ดูไม่ฟังพวกมหัศลพบันเทงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งอะไรให้เสียเวลามเวลาไม่นอนมากเกินเกินไปไม่นอนบนพกนูกหนาๆเพราะมันจะสบายมันเป็นความสุขทางร่างกายแล้วมันจะทาให้ไม่มีเวลามาปฏิบัติ นอนมันเพื่อนแข็งๆมันนอนพอร่างกายมันได้พักพอแล้วมันก็จะเต่นพอเต้นแล้วมันก็ไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายมันก็จะลุกมานั่งสมาธินะมาเจริญสติเดินจงกรม <Okay. S 1> พอมาควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้ปั๊บใจสงบมีพลังขึ้นมาธรรมะที่ได้ศึกษามานี่มันก็เข้ามาเป็นปัญญาให้ทันทีเลยเรียนรู้หมดแล้ว นี่รู้แล้วว่าต้องหยุดความอยากก็หยุดได้เลยเราเกิดความอยากขึ้นมาพอใจทุกข์ก็หยุดความอยากได้เลยก็เลยได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์มีสัมมเนยเป็นอาจารย์เพราะสั ม, มเนยเป็นพระอรหันต์สั ม, มเนยรู้วิธีทําตัวให้เป็นพาาาระอรหันต์รู้วิธีหยุดความอยากหยุดความอยากก็ต้องถือศีลปิดทวารทั้งห้า ความอยากมันจะออกมาทางตาหูจมุกมืนกายต้องปิดมันด้วยศีลปิดแล้วก็มาหยุดความคิดความคิดมันเป็นตัวผลิตความอยากที่หนึ่งถึงแม้ไม่ได้ดูแต่คิดถึงมันก็ยังเกิดความอยากได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นกาแฟเพียงแต่คิดถึงกาแฟมันก็อยากกินอยากดื่มขึ้นมาได้นะคิดถึงพิซซ่าอย่างเดี๋ยวเห็นภาพพิซซ่าในใจในน้ำลายก็ไหลออกมาละไม่ต้องเห็นภาพเลยตรง แล้วนอกจากกุศลวาแล้วยังต้องมาหยุดความคิดด้วยมาหยุดความคิดด้วยก า, ารเจริญสติพุทโธพุทโธหรือให้มันอยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งกรรมฐ า, านมีสี่สิบชนิดเลือกเอาถ้าอยู่กับกรรมฐานแล้วมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เจนพุทโธนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างถ้าเราพุทโธพุทโธไปมันก็จะไปคิดถึงขนมไม่ได้คิดถึงเครื่องดื่มไม่ได้พอไม่คิดความอยากมันก็ไม่โผล่ขึ้นมา พอนั่งเฉยๆจิตก็จะรวมสงบเป็นสมาธิเป็นพลังขึ้นมาพอเกิดความอยากขึ้นมาก็หยุดมันได้เลยนี่คือการปฏิบัติการต้นต้องศึกษาวิธีปฏิบัติก่อนไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะปฏิบัติแบบผิดๆถูกๆแล้วผลจะไม่ได้รับเพราะสมัยนี้ได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวนี้เขาสอนว่ า, มาไม่ต้องนั่งสมาธิกันถ้าไม่นั่งสมาธิก็ อย่าไปปฏิบัติให้เสียเวลาตอนมีปัญญาพระไตายปีดรู้พระไตายปีดกรู้พระอภิธรรมแปดร้อยแปดคำพีก็เถิดมันก็เอามาดับกิเลสไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้อันนี้ไม่ได้ประมาทอันนี้เป็นความจริงอุทยาท่านสอนให้มีสมาธิมีศีลก่อนศีล ส, สมาธิปัญญาแล้วเราทํำไมมาสอนกันว่าไม่ให้มีสมาธิที่ท่านสอนเรื่องปัญญาอบรมสมาธินี่ท่านพูดในกรณี เฉพาะบางกรณีท่านเองเช่นเวลาเราจะนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธเนี่ยแล้วจิตมันฟุง้งอาจจะฟุ้งเพราะเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องเรื่องลูกเนี่ยท่านบอกเงาปัญญาไปดับความฟุ้งซะก่อนพิจารณาเรื่องสามีอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเป็นส้มอยากจะให้เขาเป็นกล้วยทําได้หรือเปล่าอยากไปจนวันตายเขาก็ไม่ก็ไม่เปลี่ยนอยู่ดี เราอยากจะไปเที่ยวก็ปล่อยเขาไปเที่ยวเขาอยากจะไปมีหนูก็ปล่อยก็ไม่มีหนูเลพ อ, อปล่อยปั๊บยอมรับว่าห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเข้าไปจิตก็สร้างหายฟุง้งหายฟูกลับมาอยู่กับพุทธโธได้มารู้ลมหายใจได้นี่คือลักษณะของปัญญารมสมาธิแต่ยังต้องมาใช้สมาธิมาสร้างสมาธิอยู่ดีเพราะปัญญาลมสมาธิแบบนี้มันไม่ทําให้จิตรวมเป็นหนึ่งได้ถ้าอยากจะให้จิตรวมเป็นหนึ่งแบบ แบบใช้ปัญญาบุมสมาธิต้องใช้พิจารณาทุกเวทนาเทนั้นเวลานั่งแล้วจิตเกิดร่างกายเกิดความเจ็บปวดเอาปัญญามาพิจารณาพิจารณาว่าทุกเวทนานี้เราไปไปกำหนดไปบังคับไปสั่งให้มันหายไปได้หรือเปล่าแต่เราทำไมไปอยากให้มันหายอยากแล้วมันทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากมันมันมันจะไม่หายก็ปล่อยมันไปให้มันอยู่เพราะมันไป ถ้าเราสามารถพิจารณาว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปแล้วเราปล่อยให้มันอยู่มันอยากจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปพอเราอยู่ได้จิตก็สงบนิ่งเปน็นอัปปนาสมาธิได้อันนี้มันเป็นกรณีที่ที่มีเหตุการณ์บังคับหรือไปเจอความตายอย่างเงี้ยไปเจอเสือไปเจ้าเองกับเสือนี่ย เครื่อบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตอนนั้นใช้ปัญญาได้ถ้าตากูต้องตายแน่แร่างกายไม่ใช่ตัวกูของกูปล่อยให้มันตายไปอย่าไปอยากไม่ตายพอยอมตายพิจารณาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกข์เพราะเราไปยึดไปติดไปอยากให้มันไม่ตายตอันนี้มันจะตายแล้วมันเราถึงทุกข์ถ้าเราปล่อยให้มันตายเราความทุกข์ก็จะหายไปจิตก็จะนิ่งเข้าสู่ความสงบได้ อันนี้ก็เป็นแบบปัญญาอบมสมาธิมันต้องมีเหตุการณ์ไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาปัญญาอบมไม่ใช่มานั่งพิจารณาอริยาศาศาสัสตว์สมีทุกสมุทัยนิโรธนะนั่งไปพิจารณาไปจนวันตายมันก็ไม่เป็นสมาธิหรอกใช่ไหมมักแปดมีอะไรท่องไปเลยปฏิจจส ม, มุปบาทมีอะไรอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณท่องไปเลย ปัญญาเนี่ยท่องไปจํานวนตายมันก็ไม่สงบหรอกมันไม่ใช่ ป, ปัญญาที่จะอบรมสมาธิสมาธินี้มันจะสงบได้ก็ต้องเป็นปัญญาเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นทุกข์กับความตายทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาทุกข์กับลูกเทุกข์กับหนี้สินก็ได้เอา้ากลัวจะติดคุกกลัวจะล้มละลาย ก็มันจะล้มจะทำไงห้ามมันได้เลยล้มกับล้มไปเลยยอมรับมันมันก็จะหายทุกข์ น, นี่คนไม่เข้าใจพอพววังหัวไม่ต้องใช้สมาธิใช้ปัญญาได้เลยมันก็เลยสบายกิเลสเลยกิเลส ด, ดีใจโอ้ไม่ต้องมาเดินจงกรมไม่ต้องมาพุตโธพุตโตอพิจารณาแล้วพิจารณาได้สักกี่น้ำกันพิจารณาสองสามนาทีไม่ถึงก็ไปแล้ว ไปถึงศูนย์การค่าแล้วไปถึงที่ไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็เลยฟุง้งเดินจงกรมก็ฟุง้งนั่งสมาธิก็ฟุ้งเออนี่อย่าไปทางนั้นเลยมาทางเนี่ยทางสติดีกว่าครูบาอาจารย์ทุกรูปเนี่ยูบาสายปฏิบัติวัดป่าที่ท่านสอนให้พุโทโธทั้งนั้นเอาไม่พุโทโธก็เฝ้าดูร่างกายเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกิริยาบท อย่าปล่อยให้ใจฟุ้งอย่าปล่อยให้มันคิดถ้าคิดก็ต้องใช้พุทโธถ้าคิดมากๆก็ต้องใช้ปัญญาถ้าพุทโธไม่อยู่ก็ใช้ปัญญาฟุ้งกับเรื่องอะไรปัญหามีปัญหากับเรื่องไหนก็ใช้มันแต่ถ้าฟุ้งเพราะคิดเรื่อยเปื่อยชอบคิดเพ้อฝันไปมันไม่รจะไปแก้อะไรเนี่ยใช่ไหมคิดเพ้อคิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้แล้วคิดเรื่องนั้นต่อมันก็ไม่รู้จะปัญญาตรงไหนมาหยุดมันเพราะมันไม่มันไม่มันมันไม่มีประเด็น แต่ถ้ามันรว่วงมันฟุ้งมันเพ้อเจอนี่ต้องรีบดึงมาหาพุทโธล้วพุทโธพุทโธไปแล่วสวดมนต์ไปก็ยังได้ถ้ายังไม่ถ้ายังพุทโธไม่ได้ก็ลองสวดมนต์ไปก่อนอิติปิโสภกะกวาอาลังสัมมาสัมพุทโธไปหรือท่องอาการสามสิบสองไปก็ได้ผมขนเล็กวันหนังเนื้อเอเน็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้าหัวใจตับพังผื่ไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า อยู่ในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำย้อนกลับน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมันข้นอะไรเนี้ยไล่กลับไปอน้ำเลือดน้ำดีน้ำเสลอยู่ในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ ตายฟังผื่ตับม้าหัวใจเยื่อในกระดูกะกระดูกเยื่อในกระดูกเยื่อในกระดูกกระดูกเอนก็เอ น, อนอหนังเนื้อเอ็นเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมกลับไปท่องนี้กลับไปกลับมามันก็หายฟุ้งได้ลองท่องดูสิเนี่ยเหมือนหัดเรียนสูตรคูณท่องไปเดียวมันก็ได้แต่เราต้องท่องมันจิตมันมีสติไงต้องจําด้วย แล้วพอมันจำนะเราเรามาท่องดูท่องบ่อยๆเดินโยงโกม ก, ก็เนี่ยท่องอาการสามสิบสองไปมาไปมาแล้วจิตจะไม่ฟุ้งแล้วพอไม่ฟุ้งก็ให้อยู่กับการเดินไปอย่างเดียวก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปไม่ต้องท่องก็ได้พอไม่ฟุ้งไม่คิดแล้วเราก็ไม่ต้องท่องอะไรก็คอยดูมันคอยดึงให้มันอยู่ในปัจจุบันอย่าให้มันคิดแล้วพอเดินเมื่อยก็ไปนั่ง น้ำถ้าไม่อยากจะพุโโทโธไม่อยากก็ดูลมอย่างเดียวก็ได้ถ้ามีสติมากๆไม่ต้องพุทโธก็ได้ดูลมหายใจดูที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าไม่ต้องตามเข้าไปหายใจออกก็รู้ว่าออกไม่ต้องตามลมออกไปให้อยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่จมูกอยู่ที่ปลายจมูกจุดที่ลมสัมผัสเข้าออกให้มันอยู่จุดเดียวมันถึงจะรมได้ถ้าอยู่ไปงั de ้นเดี๋ยววุบเดียวมันก็เข้าสู่ความสงบได้ แล้วจิตจะมีพลังเป็นมามีกำลังมีอุเบกขาใจจะเฉยกับกิเลสได้กิเลสจะมาย่อหยวนกวนใจไงมันเฉยไม่หวั่นไหวต้องไปศึกษาให้รู้ว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นอย่างไรไปรับยาจากหมอที่เอายาแท้มาขายอย่าไปรับยาปลอม มีแต่แป้งกินเข้าไป <laughs> พลัซีโบ้เขาเรียกกิน<อ>เข้าไปแล้วไม่มีผลอะไรไปเอายาที่มียางทาไปศึกษาจากผู้ที่บรรลุแล้วจะดีที่สุดเนี่ยพระเจ้าบอกอภะอริยสงสาวกเป็นเป็นที่พึ่งของโลกเธ อ, อถ้าไม่มีเราก็อาศัยพระอริยะสงสาวกก็ได้ถ้าไม่มีพระอริยสงสาวกก็อาศัยคําสอนของเราเนี่ย ถูกต้องแม่นยงรับประกันร้อเปอร์เซ็นต์เป็นยาแท้กินแล้วโครคภัยไข้เจ็บหายอย่างแน่นอนถ้าไปซื้อยาตามร้านหมอตีนี่ไม่รับประกันได้ยาแท้หรือยาปลอมมาก็ไม่รู้เดี๋ยวกินเข้าไปแล้วไม่หายเไปศึกษาคนที่ไม่ได้บรรลุไม่ได้ปฏิบัติที่รู้อย่างทองแท้เดี๋ยวก็สอนผิดผิ ด, ผดถูกถูกสอนแล้วก็งงไปเลยแทนที่จะเข้าใจกับงงเต๊กเอ๊ะมันมันเป็นยังไงกันน呐ะ นั้นก่อนที่จะไปเรียนจากใครก็ต่างให้เรียนจากพระพุทธเจ้าก่อนถ้าหาพระอริยสงสาวงไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าใครเป็นพระอริยสงสาวงก็ไปเรียนจากพระไตรปิฎกก่อนอ่นพระสูตรสําคัญไม่กี่พระสูตรนี่แหละทำมาจากมหาสติปัฏฐานสูตรอนัตตลกนะักษณ์กสูตรมงคลสูตรเนี่ยสูตรเหล่า น, นี้ก็พอแล้วจะได้รู้หนักรู้แนวทางของการสอนของการของสอนของพุทธเจ้าว่าสอนอย่างไรแล้วค่อยไปศึกษากับภาพรูป คนอื่นดูว่าเขาสอนตรงกับที่พระเจ้าสอนหรือเปล่าถ้าสอนไม่ตรงก็รู้แล้วว่าเออไม่ใช่แล้วหละจะได้ไม่หลงทางจะได้ไม่เสียเวลาพอรู้แล้วก็ต้องมาปฏิบัติวันนี้ก็มาปฏิบัติศีลกันเจริญสติกันนั่งสมาธิกันปัญญานี่ก็ฟังเทศฟังธรรมก็ได้แล้วส่วนหนึ่งแต่เวลาปฏิบัติจริงๆยังไม่ต้องกังวลเรื่องปัญญามาก กังวลเรื่องสมาธิก่อนกังวลเรื่องสติก่อนอต้องให้ได้เหมือนกับสร้างบ้านเยต้องกุดหลุมก่อนกุดหลุมวางวางเทเสาทำเสาเทฐานก่อนเอเมื่อมีมีเสาขึ้นมาแล้วค่อยมากังวลเรื่องหลังคาได้ตอนต้นยังไม่มีเสาอย่าไปสร้างหลังคาเลยยังไม่มีรากฐานที่แข็งแรง เอาไม้ไายไปตั้งไว้แล้วก็ไปทำหนังคาเดี๋ยวมันก็ล้มลงมาันมันมีขั้นมีตอนในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามันสนับสนุนกันไปเป็นขั้นเป็นตอนแล้ววิมุตติคือผลถึงจะปรากฏขึ้นมาดั น, นั้นก็ขอให้เราจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลายังขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิตุทินางเปตานังอุปกับปฏิอิธิตังปฏิตังตุมหังคิดปเมวะสมิจตต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโตติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัจวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อะพิวาทะนสีฤิธสานิจังวุธาปจายโนจตารุธรมมวัทานเตีอายุวันโอสุขางภาลังทางนี้มีอะไรอยากถามไหมอ่า อ, อยากถามอะไางคะนี่คือทุกคนบอกว่าห้ามหย่าเวลานั่งสมาธิอะ แต่เราอยากอะไม่เนี่ยเราไม่ทำใช่ไหมคะอ๋ออยากแบบนั้นได้ไแต่เวลานั่งอย่าไปนั่งเมื่อไหร่จะสงบสักทีเมื่อไหร่จะสงบสัทีงนี้ไม่ได้แต่เวลานั่งก็ต้องดูลมอย่างเดียวเพราะนั้นอย่าไปให้มันสงบด้วยความอยากไม่ได้มันต้องสงบด้วยการเพ่งดูลมอ๋อนึกมันมันต้องมีเทคนิคอะไรที่ต่อบตัวเองอยากอยากอยากมันไม่ใช่อย่าคิดเลยนอย่าคิดอย่าไปถามว่าทําไมไม่สงบสักทีเมื่อไหร่จะสงบอะไรองี้ ไอ้เมื่อวันวันก่อนนั่งปุ๊บเดียวสงบแต่วันนี้ไม่สงบเองคิดอย่างนี้ไม่ได้อย่าไปคิดให้ดูลมอย่างเดียวหรือพุโทโธก็พุโทโธอย่างเดียวอย่าคิดยิ่งคิดมันก็ยิ่งไม่สงบอถ้าเราทเป็นประจําประจําวันนะเรามีเรามีรูทีนนะเราจะไหลจังนะว่าวันนี้จะทําตอนนั้นเพราะเรามีเวลาตอนนั้น เราก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยพออะไรทอทำเสร็จเรียบร้อยก็ทําไปเลยก็ไปนั่งเลยไม่คิดแล้ก็เหมือนเปิดดูทีวีถึงเวลาดูทีวีก็เปิดนั่งดูไปเลยกนั่งเฉยแล้วมันก็ไปเองทำไปมันก็จะติดเป็นนิสัยพอถึงเวลานั้นมันก็อยากจะทำอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เพียงแต่ว่ามันต้องเพิ่มไม่ใช่เอาแค่อย่างทุกวันทําแค่นี้แล้วก็ทําแค่นี้ไม่เพิ่มมันก็มันก็ไม่ไปไกลกว่านี้อถ้าอยากให้ไปกกว่านี้ก็ต้องเพิ่มเวลานั่งให้เพิ่มขึ้นอ่ะ เวลาได้ไ ม, ม, ไม่ใช่จับเวลาช่วงอื่นไงช่วงนี้แล้วเดี๋ยวช่วงอช่วงต่อไปแทนที่จะไปทําอย่างอื่นก็เอามานั่งสมาธิต่อถ้าเราไม่ทำใช่ม <c oughs> เราต้กลับมาทำนี่คือเราไม่ใช่ไม่ทําเราเคยทําเไรอย่างอื่นแล้วตัดบางเสียแล้วเอามาเพิ่ ม, มเพิ่มการนั่งให้มันมากขึ้น ได้แต่ไม่ไปทำเลยคนอื่นีต้องทําได้คนเขาทำกันทั้งวันทั้งคืนก็ทํากันได้ไม่มีใครถูบ้านอ๋อไม่ไม่ต้องถูทั้งวันก็ได้ละอ้างแล้วไงพอจะนั่งสมาธิอ้างนู่นอ้างนี่พอไปเที่ยวไม่อ้างเลยอ่าพอเพื่อนโทรมาบอกกำลังถูบ้านอยู่ทิ้งเลยรู้ทันเลย ที่ทำให้ลุกขึ้อันนึงคือว่าชุบเช้าเนี่ยเรามีเวลาแต่ว่าพอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยเราต้องหยุดแล้วทั้งทั้งที่เรากําลังไม่อยากหยุดอ่ะแต่ต้องลงไปเพราะอาพิเชคเคลม่มานเลยเลยเลต้องหยุดแล้วอย่างนี้มันจะติดไหมคะคือมันก็ติดแหละถ้าทําอยู่เรื่อยๆมันก็ติดถ้าอยากจะไม่ติดแต่มันมันติดมันติดด้วยสองอย่างติดด้วยเหตุการณ์กับติดด้วยนิสัยถ้าติดด้วยนิสัยมันก็อยไปเรื่อยๆติดด้วยเหตุการณ์พอไม่มีเหตุการณ์มันก็หยุดได้ เราไม่มีแม่ก็ไม่ต้องอมันก็นั่งาจะตาอได้ถ้าติดด้วยเหตุการณ์มันก็จําเป็นมันก็ถูกบังคับแต่ถ้าติดด้วยนิสายมันก็จะไม่เปลี่ยนมันก็จะเราต้องบังคับมันเองเพราะทุกทีนั่งแล้วมันจะได้สักชั่วโมงหนึ่งอ r ชั่วโมงขึ้นอะไรอย่างงี้ยค่ะอมันไปไม่ถึงสองเพราะว่าต้องลงไปแล้วถึงเวลาต้องไปดึแต่ถ้ากับหลังสุดถ้าไม่มีคือแม่ อก็นั่งต่อไปกินอยู่ที่เราเองมันจะถึงเวลาแล้วมันหยุดมันก็จะหยุดแล้วเราก็ต้องบังคับให้มันไปต่อเอพอมันเคยหยุดมันก็จะหยุดเอถ้าอยากจะนั่งต่อเราก็ลองบอกไม่หยุดเี่ยพุทโธต่อไปทําอะไรต่อไปหาวิธีให้มันนั่งต่อไปมันถึงจะต่อไปได้ถ้าไม่นั่งก็ต้องลุกมาเดินจงกรมแทนไม่ไปทําอย่างอื่นทํามสองอย่างนี้เดินจงกรมกับนั่งสมาธิ ให้มากที่สุดเวลาเดินก็จะริยน ส, ะสะติก่อนอย่าไปทึ่งปัญญาเอาสติอ่อนแต่เวลานั่งมันจะได้สงบได้ง่ายได้นานนะพอสงบเสร็จแล้วนั่งไม่ไหวแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่ทําอันนี้แล้วก็ไปทํางานเท่าที่จําเป็นจะต้องทําขวบบ้านทูบ้างก็ก็เหมือนเดินจงกรมได้เนี่ยขวบบ้านก็พุโทโธพุโทโธไปก็เหมือนกับเดินจงกรมอ ล้างถ้วยล้างชามซักผ้าอะไรมันก็ถ้าถ้ารู้จักวิธีเจริญสติแล้วมันสามารถใช้ได้กับกิจกรรมต่างๆที่เราทําเป็นประจําอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าบินธบาตท่านก็ท่าน ก, ก็พุทธทงท่านไปมีสติอยู่กับการเดินเปิดฟ้าบาทปิดฟ้าบาทไปได้ยยท่านก็ไม่ได้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาปัดกวาดลานวัดท่านก็อยู่กับการปัดกวาดไปอันนี้ก็เป็นการเจริญสติไปในตัว เราอยู่กับงานเพียงอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ใจเราไปคิดเรื่องอื่นเป็นการฝึกสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นให้ให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ให้คิดปรุงแต่งแล้วเวลานั่งมันก็จะได้สงบสงบได้ง่ายและได้นานดัง hmm. นั้นขอให้เราถืองานหลักจริงๆคือ ง, งานสร้างสติแล้วเราก็ใช้งานรองคืองานธุระต่างๆที่เราต้องทํา เป็นส่วนประกอบว่าเรายังต้องทำงานต่างๆอยู่แต่เราจะไม่ทิ้งสติทำงานอะไรเราก็ต้องมีสติเป็นตัวหลักตัวตัวงานหลักของเราคือสติแล้วก็ทำควบคู่ไปกับงานรองที่เราต้องทำล้างชามแล้วก็ล้างชามอย่างมีสติไม่ใช่ล้างชามไปแล้วก็คิดเพอ้อเพ้อเจอเพอเอ้เพอฝันไปเราก็จะได้สองอย่าง ยิงนกตัวยิงนกกระสุนน้ดเดียวได้นกสองตัวมันจะได้ไม่ต้องมาอ้างว่าต้องไปทํางานนู่นทํางานนี้ไม่มีเวลาปฏิบัติสแสดงว่าเราไม่รู้ว่าการปฏิบัติจริงๆคืออะไรงานปฏิบัติจริงๆขั้นแรกก็คือการเจริญสติที่เราสามารถทําได้ควบคู่ไปกับงานอื่นที่เรากําลังทําอยู่แต่ต้องเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเท่านั้นถ้าใช้ความคิดแล้วมันจะจิตมันต้องคิด ทํางานแบบที่ไม่ต้องคิดจะดีกว่าท่านเคยสอนมานะว่าตื่นขึ้มานี่ก็อผูอ้ทโธไปแล้วห น, นะนึ<ป>่งถ้าเราไม่พูดโธมันก็ไปถึงที่ทํางานแล้ว <c oughs> ถึงถึงทุวันนี้จะนัดไปเจอใครไปทำ อ, อะไรล้วจะแต่งชุดไหนดีอะไร<น>ไปก่อนล้วจนเข้านอนนะ <c oughs> นก็พุทโธจนกว่าจะหลับเรทำาห้งานงานมันพุงค่ะ ไม่ใช่ปัญหาของเราเลยแล้วก็คิดถ้าไม่พูดโทนนะคะมันก็ไปแต่ถ้าพูดโทนแล้วมันจะมันจะหลับไปเลยหลับสบายมากเร็วปุพบแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงห้าไม่ถึงนาทีนึงก็หลับไปแล้วพยายามฝึกสติเราสามารถฝึกสติได้ทุกเวลานาทีคุณแม่ชีบอกพวกเราอย่างนี้ค่ ไหนที่จะทําขั้นอนอุบาลอะไรต้องรวมแล้วผึจะเป็นขั้นผสมหรืออะไรตรงไหนก็ไม่เราไปสนใจแล้วเราก็ <c oughs> อยู่ขั้นไหนแล้วก็ทําเราไปก็แล้วกันทำให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วทํานั่งให้มันมากมันจะรวมได้มันต้องมาก<ช>เราจะได้ผลจากการฝึกสติกับได้คือเจ็ดรวมเป็นสมาธิถ้ายังไม่รวมก็สแสดงว่าปลูกต้นไม้ยังไม่ออกดอกออกผลต้หมันลดน้ำพุดินไปเรื่อยๆ รักษาต้นให้มันเจริญงอกงามไปเดี๋ยววันดีคืนดีผ ล, ลไม้มันก็จะออกม า, าอาแล้วเราจะมีวิธียังไงคะที่จะให้บุพก า, ารีของเราได้รับยาแท้จากหมอแทนคะก็ต้องพากไปไปเหมือนเวลาไปพาโรงพยาบาล น, นี่ไหมไปรักษาตัวเราก็ต้องพาคนไข้ไปถ้าเราไม่พาไปก็ต้องเอาอยาจากโรงพยาบาลมาให้ที่บ้านเนี่ยเอาหนังสือธรรมะให้เขาอ่าน เปิด C D A เฟังเดินเดี๋ยวนี่มีถ่ายเท่าสดก็อยู่วัว่างมาชวนเอาเปิดดูเปิดฟังดูไปก่อนนี่ก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะรับยาหรือไม่รับยาบางเขาไม่สนที้เขาบอกจะอยากจะดูรีเก้ก็ช่วยไม่ได้น <c oughs> ะเ <c oughs> ขารับยาแต่มันยังไม่แท้ะอะค่ะอก็ช่วยไม่ได้บางทีมันเป็ติดยาปลอมเนี่ยชอบยาปลอมล่ะเพราะยาแท้มันอาจจะขมะ ยาปอมมันอาจจะหวานมันก็เลยติดยาปองไงยาปองก็จะติดของหวานหวานเคลือบไว้เคลือบแป้งไว้ตัวยาแท่นี่เขาไม่เคลือบเลยเขาเป็นยาล้วนๆพออมเข้าไปปั๊บมันก็ขมปีเลยก็ก็ช่วยไม่ได้อ๋อคำปรึกษาหน่อยครับเพราะว่าผมเพิ่งเรียนจบครับ แล้วก็ท่าอาจารย์ว่าควรจะไปหาประสบการณ์ทางโลกก่อ น, นหรือว่ามาศึกษาธรรมะให้เ ข, าข้าใจเราเราต้องการอะไรนะอยู่ที่ตัวเราต้องการจะทำอะไรถ้าเราเราไม่มีความยินดีนะมันจะไม่มีกำลังใจที่จะทำถ้าเรายินดีทางโลกเราก็ต้องไปทางโลกก่อนถ้าเราไม่ยินดีทางธรรมบังคับมันมาทางธรรมมันก็ไม่สนุกทาแล้วมันก็เบื่อ อ่ะเดี๋ยวมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีถ้ายัางยินดีทางโลกยังอยากไปมีครอบครัวมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีก็ไปทางโลกก่อนแล้วไปอาจจะไปเจอปัญหาเจอความทุกข์เจออะไรต่างๆแล้วก็อาจจะบอกเอ้ยนี่ไม่ใช่ทางที่เราต้องการไปก็ได้แล้วมันจะได้หายสงสัยเราจะได้กลับมาทางธรรมได้ละถ้ามาทางธรรมยังไม่ได้ไปทางโลกดีมันยังคิดเอ้ะกูมา ถ, ถ, ถูกทางหรือเปล่าคิดถูกหรือเปล่า ใช่ไหมเราพอมาปฏิบัติแล้วผลไม่เกิดทันทีทันใดก็อาจจะท้อแท้ได้เอี่ยงนี้กลับไปทางลูกดีกว่านมันก็อยู่ที่เราไ ป, ไปให้รู้ไปให้รู้ก่อนก็ดูที่ใจเราใจมันเรามันอยากจะไปทางไหนคนบางคนอยากบวชเนะนี่ยคนบางคนเป็นเด็กเป็นเนก็อยากจะบวชเนนะ่ะ ก, ก็เขาอยากจะมาทางนี้ของเขานะบางคนไม่อยากมา ก็จะให้มาก็ต้องศึกษาให้เห็นคุณค่าของการมาบวชถ้าเห็นคุณค่าแล้วก็อ า, อาจจะมาบวชได้แล้วแต่เราว่าเราอยากจะไปทางไหนถ้าเราอยากจะมาทางนี้ทางทางพระนี่แต่ยังไม่มีความอยากจะมาเราก็ต้องศึกษาเหมือนกับเราจะซื้อรถเนี่ยเราไม่ชอบรุ่นยี่หอนี้เรากลองไปศึกษาดูว่ารถยี่ห้อนี้มี ความสามารถอย่างไรดีอย่างไรถ้าศึกษาคุณสมบัติของรถยี่ห้อนี้แล้วอาจจะทําให้เราอยากซื้อก็ได้เป็นแต่ดูเฉยๆล้วอาจจะไม่ชอบไม่ชอบสีไม่ชอบคุณมันแต่เรายังไม่รู้ว่าความสามารถมันเป็นยังไงพอเราไปอ่านดนูเอกสารที่เขากํากับมาให้อ่านว่ารถคันนี้มีความสามารถอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรดีกว่ารถอย่างอื่นอย่างไรพออ่านแล้วเราก็อาจจะว่าเออ แต่แม้จะไม่ชอบมันแต่เมื่อเห็นคุณค่าเห็นผลประโยชน์เข้ามาแล้วนี่น่าจะเอามันมากกว่าเอาของที่เราชอบ <Yeah. S 1> เราก็ต้องศึกษาถ้าเรายังไม่มีแรงดึงแรงโน้นใจให้มาทางนี้เราก็ต้องฟังเทศฟังตามศึกษาธรรมะของผู้รู้จริงๆอย่าไปศึกษาจากผู้ไม่รู้เดี๋ยวมันจะทําให้เรายิ่งยิ่งไม่มั่นใจต้องฟังเทศถ้าไม่มีผู้รู้จริงๆก็เอาหนังสือของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ย ก็ไปอ่านหาหาประศุดสําคัญสําคัญมาอ่านแล้วถ้าไปเจอพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ก็ยิ่งดีเพราะท่านจะมีรูปเล่นลูกเล่าไม่เหมือนกับหนังสือที่เราอ่านหนังสือมันจะมีแต่มีแต่เนื้อหาสาระแต่ไม่มีไม่มีรูปเล่า ล, ลูกอะไร แต่ถ้าไปคุยกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็อาจจะมีวิธีพูดวิธีอธิบายทําให้เราเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเราจะอยากปฏิบัติขึ้นมาก็ได้แล้ววิธีดูพระว่าพระองค์ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิธีก็เหมือนกับเราจะซื้อของอะไรบางทีแล้วก็ถามคนที่เขาใช้สินค้าเหล่านี้มาก่อน่รถคันนี้รถยี่ห้อไหนดี ก็ถามคนที่ก็มีสินค้าเหล่านี้อยู่อยากจะไปวัดก็ต้องถามคนที่เขาไปวัดกันเรือว่าวัดไหนดีวัดไหนไม่ดีแล้วอาจจะต้องถามหลายๆคนถามคนเดียวอาจจะเดียวได้ข้อมูลที่ไม่ถูกก็จะผิดได้แล้วก็ต้องดูคนที่เราถามว่าเขาเป็นอย่างไรเขามีเครดิตไหมเขามีสภาพชีวิตของเขาเป็นยังไง เรามีความสุขเมื่อมีความทุกข์อะไรต่างๆอันนี้มันก็มีส่วนประกอบที่เราจะต้องใช้สังเกตดูเหมือนกันถ้าไม่รู้เราก็ไปหาวัดของเราเขาบอกแล้วเราก็เราต้องไปพิสูจน์ด้วยอันที่ไม่รู้จะไปวัดไหนบาก็ว่าวัดนี้ดีอลองไปดูแต่เราต้องมีอะไรเป็นมาตรฐานวัดด้วยถ้าไม่มีมาตรฐานเราก็จะไม่รู้วัดดีไม่ดีจะรู้ก็ต้องศึกษาประวัติเนี่ยของ ของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอหรือว่าศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าก็แล้วเราจะได้รู้ว่าวัดนี้นี่เขาปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนหรือเปล่าเขสอนตามที่พระเจ้าสอนให้สอนให้ปฏิบัติหรือเปล่าอย่าขั้นต้นให้ศึกษาจากพระไตรปิฎกก่อนถ้าไม่รู้ว่าจะศึกษาจากใครแต่ถ้ามีคนถ้ามาที่นี่แล้วก็บอกนี่เอาประวัติขอวงปู่มั่นไปอ่านเป็นเป็นหนังสือที่จะทําให้เกิดศรัทธา ในพระพุทธศาสนาทางบ้านวันนี้มีคำถามไหยคำถามจากคุณคณิสาการคนที่ทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจนั้นจะทำให้มีความเจริญในชีวิตไหมคะก็อยู่ที่ว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำอย่างไรถ้าเป็นการกระทำดีแล้วพ่อแม่ทุกข์ใจก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมของพ่อแม่ที่ยังชอบ ที่ไม่ชอบคนทำความดีเห็นคนทำความดีแล้วทุกข์ใจแต่ถ้าเราทำบาปเช่นไปทำร้ายพ่อแม่เราบาปแน่ๆหรือทอดทิ้งพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ด่าว่าพ่อแม่อย่างเงี้ยทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจแบบนี้เป็นบาปเพราะการกระทาของเรามันเป็นบาปแต่ถ้าเราทำดีเราทำบุญแล้วพ่อแม่ทุกพ่อเราทำบุญเห็นลูกเราไม่รวยสักทีเพราะมีเงินเท่าไหร่ก็ไปทาบุญแล้วก็เลยทุกข์กับ การทำบุญของลูกอย่างนี้อย่างนี้ช่วยไม่ได้พ่อแม่ยังไม่เห็นว่าลูกกำลังรวยแต่รวยด้วยทรัพย์ภายในเขาไม่รู้ว่าลูกกำลังร่ารวยรวยด้วยบุญรวยบุญนี่ดีดี ก, กว่ารวยเงินทองตายไปกลับมาจะมีเงินทองรอเราอยู่แต่ถ้าโวยรวยด้วยเงินทองไม่ทำบุญตายไมก็ตายไปกลับมาใหม่ก็จะไม่มีเงินทองรอเราอยู่พ่อแม่เขาไม่รู้เรื่องบุญเขาก็อาจจะทุกข์เพราะเห็นลูกทาบุญ เสียดายเงินเสียดายทองอยากให้ลูกร่ำรวยมีหน้ามีตาพ่อแม่จะได้มีหน้ามีตาบอกคนนั้นว่าลูกฉันรวยอย่างนั้นรวยอย่างนี้แต่พอมาเห็นลูกทำบุญทำบุญอยู่แบบขอทานอยู่แบบคนจนก็ทุกข์ใจขึ้นมาอย่างนี้ถ้าทุกข์แบบนี้ก็ช่วยไม่ได้คําถามจากคุณสิริเพลนลูกชายบวชพระหรือลูกสาวบวชชีกนผมพ่อแม่จะได้บุญไปด้วยไหมเจ้าคะก็ถ้าเขา ติดตามลูกไปก็อาจจะได้บุญลูกบวชแล้วอยู่วัดก็เข้าวัดเข้าวัดก็ต้องไปทำบุญใช่ไหมไปทำบุญเอากับข้าวกับปลาไปใส่บาตรไปถวายไปฟังเทศฟังธรรมก็จะได้บุญจากการกระทำเหล่านี้แต่ถ้าลูกบวชแล้วตัวเองก็ไม่ได้ติดตามไปก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ติดตามลูกไปวัดไม่ได้สนใจทางใครทางมันพ่อแม่ก็ยังเล่นเล่นพ น, นันกินเหล้าอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้บุญแต่อย่างได แต่ถ้าลูกบวชแล้วตามไปแล้วได้ฟังได้ทาบุญได้ฟังเทศฟังธรรมได้เห็นโทษของการดื่มโุดาเห็นโทษของการเล่นการพ น, นันแล้วก็เลิกได้ยางนี้ก็จะได้บุญจากการบวชของลูกคำถามจากคุณจิตคำว่าโซดาปฏิมา ก, กับโสดาปฏิผลต่างกันตรงไหนเจ้าคะคำว่าโซดาไม่ว่าจะมักหรือผลก็ปิดประตูอบาย เช่นกันใช่ไหมคะยังโสดาปฏิมากยังไม่ปิดเนี่ยโซดาปฏิมากเหมือนกําลังเดินขึ้นบันไดสมมติว่าเราต้องการขึ้นไปชั้นหนึ่งเนี่ยก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นหนึ่งได้เราต้องขึ้นบันไดก่อนถ้าเราอยู่อยู่ชั้นล่างเนี่ยเราอยากจะขึ้นไปชั้นบนจะขึ้นไปชั้นบนได้ก็ต้องขึ้นบันไดการเดินขึ้นบันไดนี้เรียกว่ากําลังเจริญมากพอเดินไปถึงชั้นที่ชั้นบนแล้วก็ถึงว่าเราได้ถึงผลแล้ว ชั้นที่หนึ่งของพระอริยบุคคลก็คือโสดาโสดามันการจะเป็นพระโสดามันได้ต้องผ่านโสดาปฏิมาก่อนต้องเดินบันไดที่จะพาให้ขึ้นไปสู่ชั้นนั้นได้ก่อน <Yes. S 1> บันไดที่จะพาให้ไปสู่ชั้นนั้นก็คือต้องมีศีลสมาธิปัญญาปัญญาในระดับที่ละสังโยชน์สามข้อได้คือละสักกายทิฏฐิละศีลภัตตปรามามละวิจิกิจฉาได้ ถ้ามีปัญญาที่สามารถละสังโยชน์สข้อนี้ได้ก็แสดงว่าได้ถึงขั้นที่หนึ่งแล้วได้มรรคแล้วขณะที่จเจริญปัญญานี้กำลังกำลั ง, จลงจเจริญมรรคอยู่กําลังพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้าลมไฟเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายไปยึดไปติดไม่ได้ถ้าไปยึดไปติดเราจะทุกข์ถ้าปล่อยแล้วจะไม่ทุกข์พอเห็นอย่างนี้พอเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ปล่อยไม่อยากจะทุกข์ ก็จะได้บรรลุปเป็นโสดาบันได้ต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยง <c oughs> เกิดแล้วต้องดับเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไปหลงคิดเองว่าเราเป็นร่างกายเราเป็นจิตที่มาเกาะร่างกายนี้อยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้ว เ, เราจะไม่กลัวตายจะไม่กลัวเจ็บจะไม่กลัวความแก่ จะปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายได้อย่างสบายถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมเราก็จะไม่สงสัยในพระพูทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะละวิจิตกิจฉาได้แล้วเราก็จะละศีลพัตะคือการไปธรรมพิธีกรรมต่างๆเพื่อดับความไม่สบายใจของเราพอเรารู้ว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากความยึดติดของเราความอยากของเรานั่นเอง ยึดติดกับร่างกายอยากให้ร่างกายแข็งแรงพอร่างกายไม่แข็งแรงก็ไปหาหมอดูไปหาหมอให้มาสะเดาะเคราะ์ให้อันนี้จะไม่ทำเพราะรู้ว่าร่างกายมันเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปทำสะเดาะเคาะ์ อ, อย่างไรไปทำพิ ธ, ธีกรรมอย่างไรมันก็ไม่ได้ไปแก้มันได้พร <Yeah. S 1> ะสดาบันไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความแก่ก็ไม่กลัวความตายไม่ต้องไปทาพิธีสะเดาะเคาะต่าง ศีลพระตาปรามาอาจจะรู้ว่าจะต้องรักษาศีลถ้าจะไม่ไปทำบาปทำกรรมกับใครเพราะการทำบาปทำกรรมนี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้ต้องไปเกิดในอบายต่อไปคำถามจากคุณวนากนกหนกนั่งสมาธิได้ประมาณห้าสิบนาทีหลังจากนั้นจะเกิดอาการปวดมากไม่สามารถอดทนได้ นั่งต่อไปขอความเมตตาขออุบายนั่งสมาธิให้ได้นั่งนานขึ้ น, นก็ต้องขยันบริกรรมเนะี่ยพราะจะทนไม่ไหวก็ต้องขอย้ำพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปภายในใจอย่านั่งเฉยเฉยถ้านั่งเฉยเฉยแล้วมันอยากจะลุกแต่ถ้าให้มันสวดมนต์ได้หรือให้มันอยู่กับพุโทโธได้เดี๋ยวมันเลยความอยากจะลุกแล้วมันก็จะนั่งต่อไปได้คำถามจากคุณเจ ถ้าเราศินบกท่องข้อใดข้อหนึ่งอย่างเช่นผิดศินข้อสามแต่รู้สึกอยากปฏิบัติธรรมไปเป็นอุบาสิกาต้องถือสินแปดอย่างนี้จะทําได้หรือไม่เจ้าคะก็ลองทํำดูสิมันอยู่ที่เราถ้าเราไปอยู่วัดแล้วรักษาศินแปดได้เราก็อยู่กับเขาได้ถ้ารักษาไม่ได้เขาก็ต้องเขาก็ไม่ให้เราอยู่แทนไปละวันล้วก็ไปแอบเปิดทีวีดูไปเปิดเพลงฟังนี้ คำถามจากคุณเปาการแช่งทำให้ตกนรกหรือไม่คะไม่หรอกการแช่งก็เป็นความคิดความคิดคำพูดถ้าแช่งได้ก็ดีแช่งตัวเราก่อนเี่ยแช่งให้เราไปสวรรค์แช่งให้เราไปนิพพานถ้าเราแช่งให้คนอื่นไปนรกได้เราก็ต้องแช่งตัวเราให้ไปสวรรค์ได้คาถามจากคุณลาวัน เวทนาที่เกิดขึ้นที่ร่างกายเมื่อทนได้เอาชนะครั้งแรกได้แล้วและครั้งต่อๆมาความเจ็บปวดค่อยๆลดน้อยลงถูกต้องไหมครับบางทีก็หายไปหลายวันแล้วก็กลับมาอีกค่ะคือความเจ็บปวดมันจะมากจะน้อยมันจะไม่ทรมานใจเพราะที่เราดับได้หรือลดได้คือความทรมานทางใจส่วนความเจ็บทางร่างกายมันก็ต้องเป็นไปตามความเหตุของร่างกายบางทีมันก็ปวดมากบางทีมันก็ปวดน้อย แต่ใจเราจะไม่รู้สึกเจ็บกัมมันท่านเองถ้าเรารู้จักวิธีหยุดหยุดความเจ็บทางใจคือละความอยากหยุดความอยากให้ความเจ็บทางร่างกายหายไปถ้าเราไม่ไปยุ่งกับความเจ็บทางร่างกายแล้วใจเราจะไม่เจ็บค่ะคถามจากคุณวราดากำหนดลมหายใจเข้าพุทธออกโทพอทาไปนานๆแล้วเครียดต้องแก้ปัญหายัางไงคะเอาอยัางใดอย่างหนึ่งสิ อาพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องเอารมหรือเอารมณอย่างเดียวไม่ต้องพุโทโธก็ได้คำถามจากคุณชนะตนเราสามารถเทียบคําสอนของครูบาอาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับหลายๆท่านแนวทางสอนการปฏิบัติจะเป็นแนวเดียวกันหมดถึงแม้จะต่างสํานักกันเราก็ไม่สับสนและลองปฏิบัติตามคําสอนท่านก็เห็นผลตรมนั้นไปตามลําดับทําให้ยอมรับโดยไม่ต้องสงสยัยอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะใช่ได้ใช่ได้ คำถามจากคุณคณนิสากรรมที่ได้รับจากการกระทําที่พูดไม่ดีต่อพ่อแม่คืออะไรคะก็ต่อไปลูกเรามันก็จะพูดไม่ดีกับเราเร า, เราทําตัวอย่างให้ลูกเห็นลูกมันก็จะทําตามเราถ้าเราพูดดีกับพ่อกราบแม่มันก็จะกราบเราคํถาถามจากคุณมานิการสั่งโยธข้อศี่ลัพัตต์ตาลมาสมีความหมายอย่างไรครับก็เนี่ยแหละ วิธีดับความทุกข์ความไม่สบายใจด้วยการไปทําบาปก็ดียันไม่สบายใจก็ไปกินเหล้าเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทใครก็ไปฆ่าเขาเอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะกําจัดความไม่สบายใจต้องกําจัดที่ความอยากของเราเพราะรู้ว่าความไม่สบายใจเกิดจากความอยากของเราเราก็จะไม่ไปทําบาปทํากรรมต่อไปเวลาไม่สบายใจใครขโมยเงินทองเอาไปก็ แล้วก็ปงว่ามันเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเราก็ไม่มีความอยากจะให้มันกลับคืนมาความไม่สบายใจก็หายไปก็ไม่ต้องไปทําบาปไปแก้แค้นใครหลวงพ่อเจ้าคะหนูมีเรื่องชักคือตอนนั่งสมาธิเจ้าคะ่ะพอถึงจุดหนึ่งอ่ะหนูขา ม, มันจะชักกระตุกแล้วหนูตกใจทุกครั้งแล้วก็ออกทุกครั้งเลยก็อย่าออกสิก็รู้ว่ามันชักกระตุกแล้วก็นั่นั่งต่อไปท่านเอง กิเลสมันจะหามันจะหาช่องออกไม่ใช่อะไรหรอก <c oughs> อ๋อกิเลสมันจะหาช่องออกเพราะ ต, ก ก, ก, ตกก็ตุกก็ตกก็รู้ว่นก็ตกไปเหมือนต้องออกไปไหนนะก็ตกก็นั่งต่อไปได้ตกใจแล้วหรืะตกใจแล้วมันก็หายไปแล้วละ่ะเพราะก็ดึงสติกลับมาสิเอามันตกใจบ้าก็พูดโทพูดโทไปต่ออย่าไปสนใจอ่อย่าปล่อยให้มันตกใจแล้วก็โดดออกมาเอามันตกใจบ้าก็ร้องรีพูดโทพูดโทพูดโทต่อไปมันก็นั่งต่อไปได้ ก็เลื่อนตาก็ดับตาต่อได้เนี่ยไม่เห็นจะเลื่อาต้องไปลุกที่ไหนกิเลสมันจะหาช่องออกพอมันเลืนตามันก็ดับตาได้เนี่ยพอมันจะลุกก็ไม่ให้มันลุกก็ได้เนี่ยเราก็คิดว่าเาเราชัดกระตุกแสดงว่าน่าจะจบนั่นแหละมันอยากจะออกกิเลสมันหาช่องไง นักสมาธิอย่างดีนะแบบกลังสบายแล้วปกติแล้วเราก็จะมาเอนะียงเอ็นแบบนั่งเฉยตอนนี้ระยะนี้มันก็นั่งแล้วนะฮะก็จะไม่ได้หลับนะฮะก็จะเอง <c oughs> แล้วก็พยายามเอากลับก็สมาธิต่อให้มันนิ่งๆแล้วก็เอ็นไปเอ็นมาก็ไม่รู้แต่มันก็ไปถึงจะจะตกลงไปได้่อยเอียงแบเนี้ย แล้วเราแต่เราก็ยังรู้ตัวแบบไปสมาธิแล้ก็ปล่อยมันไปอย่าไปสนใจแล้วมันหล่อนะแล้วมันจะลงไปแค่แก่อย่างนั้นค่ะก็ดูสิมันลงไนป่าอย่าไปสนใจถ้ายิงสนใจมันถ้ายิ่งสนใจมันยิงเอ็นใหญ่เลยบางทีมันเอ็นนิดเดียวแล้วเราไปคิดมันก็เลยทําให้มันเอ็นใหญ่เลยแล้วคือเราไม่มีสติแล้วพูดง่ายๆถ้าเราไปอยู่กับร่างการแสดงเราไม่ได้ภาวนาแล้ว เราไม่อยู่กับไม่ก็อยู่กับร่างกายอยภาวนาอย่งมาเถียงเราอีกถ้าไปรู้ร่างกายก็แสดงว่ามันไม่ได้ภาวนาแล้วเออต้องกลับมาที่ภาวนาสิเราต้องอยู่กับลมไปรู้ลมเสร็จเรื่องรูเอ่าพูดยังเถียงอีกไมนรู้จะพูดยังไงอคือคือว่านั่งแล้วมันมันอย่าไปสนใจเอออยู่กับลมต่อไปอยู่กับพูดโทต่อไปให้อยู่กับพูดโทอย่างเดียว จนกว่ามันจะล้มพังลงไปก็ค่อยลุกขึ้นมานั่งใหม่นนั้นลงเพราะว่ามันกระตุกอไปอ่าเข้าใจแล้วค่ะอ่าเพิ่งเป็อ ท่าอาจารย์บอกว่าถ้าไม่มีเวทนาอยู่อยู่จะไม่ผ่านใช่ไหมครับอ่าก็ต้องมีสุดสุดถ้าอยู่นั่งเก้าอี้นี่มันไม่เจ็บไม่อะไรเลยอ่ามันก็ไม่เจอเลยมันก็ไม่มีทุกข์จะทำยังไงได้ถ้าเรานั่งเรานั่งอย่างนี้ยังนั่งไม่ได้เลยก็ช่วยไม่ได้นะทำยังไงโซมีวิวงวิวงเป็นรู้ถ้าเราอ่าใช่มันนิพพานมันอยู่ภาคตายอยู่ภาคเจ็บมันไม่ได้อยู่ภาคสบายทีนี้ทีนี้คือเรานั่งมาแล้วนะคะ But then what happened? My back didn't take it. I was 68 when I started out. คู่ภาษาไทยเนี่ยคนไหนก็ได้ฟังเราเราเราเริ่มนั่งสมาธิตอน68แล้วเรานั่งอย่างจริงเลยเราปล่ให้มันปวดแต่ว่าวันนึงเราลุกขึ้นมาแล้วเราเราหลังอะไร Spray คือมัน ทงมันเจ็บไม่ใช่เจ็บครับคือไปสลบในะห้องน้ำเลยคือไม่ยอมสู้มันอยู่นั่นอ่ะส <Yeah. S 2> so, ตั้งแต่นั้นมาพอนั่งเนี่ยนั่งไม่ได้่ะอาจา์มันไม่หาม so so I couldn't even if I try now I would probably last about it so mm hmm. should I try it I mean I'm willing to but I'm asking d e n i s uh can you, I think I did ask you before if you can do on the chair you could or, or somebody told me you mm can't ี i you m i s o So, so I'm asking. Um, just quit the chair, then came back on the floor. ก็ไม่รู้แหละแล้วแต่จะเ mm อายงไก็แล้วแต่ o but if I have to believe s o m e t h i n I'm n t l l i n g to try. So, so if I sit on the chair, it's not going to happen. Okay, h e t I quit the chair. ก็อยากถามให้แน่นอนคาพเห็นบางคนบอกได้บางคนบอกไม่ได้ So I, I've been sitting on the chair for the longest time, and it, it has improvements, but okay. it's it's not. progressing to the point where I want that's why I'm asking เ uh, วทนาถ้าได้ได้ยินท่านอาจารย์พูดอันนี้ก็เลยเยถามไงฮะก็ถ้าอยากจะผ่านเวทนามันก็ต้องเจอเวทนา <Okay. S 1> ไม่ใช่นั้นก็ต้องรอให้มันเจ็บไปหาหมอแล้วบอกเป็นมาเรไรเงี้ยก็ <Okay. S 1> เข้าใจนะถ้าไม่ไม่หามันก่อ น, นก็มาหาเราทีหลัง uh, <okay. S 1> ถ้าหามันก่อนเราก็จะได้มีเวลาฝึกสู้กับมัน <Okay. S 2> พอมันมาจริงเราก็จะได้สู้กับมันได้ <Okay. S 2> ถ้ารอให้มันมาถึงเวลานั้นเราอาจจะไม่พร้อมที่จะสู้กับมันก็ได้งั <Okay. S 2> ้นก็ต้อง <Okay. S 2> ต้อง <Okay. S 2> ถ้าอยากจะผ่านเวทนาก็ต้องเจอเวทนา so, ถ้าอยากจะผ่านความตายก็ต้องเจอความตายไม่ร so, ู้ it's up to you <Yeah. S 2> it's up to you but, no i'm asking you too because I don't know. I haven't been through t r y it. That's two p o s i t i o n Just try time. it. Okay. Okay. We just say that w can sit. We don't know. We u s t do it. But it's oh. okay. I'll try it. Okay. Thank you so m u c Thank you. Okay. This k y Let's take w h t h a r d today and p r a